ยเรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถา ม, ถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาวันนี้เราก็จะเริ่มต้นที่คุณนักคุนเช่นเคยอยู่ที่โตเกียวนักขุนอยู่กบ่ า, บาง กรรมนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์อ่ายังไงอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าหนูมาทํางานที่ไทยค่ะพระอาจารย์แะคุณไม่ได้มาเจ้าค่ะเอามาช่วยข่าวนะค่ะมาออกงานเอ็กซิบิชัอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทํางานย้ายบ้านต่างๆอาทิตย์หนึ่งค่ะพระอาจารย์มาแล้วเหรอไ่ยังมาไมยังไม่ได้มาอยู่กรุงเทพค่ะเพิ่งรันนิ่งเมื่อเช้าวันนี้ค่ะพระอาจารย์ แล้วใครดูใครดูแลลูกนะให้อยู่กับพ่อเขาค่ ะ, อะเอาไปฝากไว้พ่อเขาโอเคไหค่ะจกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนอย่าแล้วค่ะว่าวันช่วงนี้จะมาที่ไทยค่ะเดี๋ยววันที่ทค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองจะไปนอนพัทยาแล้วก็เช้ายี่สิบสามตักบาทแล้วก็ไปฟังพระอาจา ร, รย์เทศที่กุติเจ้าค่ะ โอเคค่ะวันนี้มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากราพระอาจารย์เฉยๆค่ะ <Okay. S 2> ขอฟังธรรมค่ะ เ, เอ็นเกอาจารย์นี้ก่อนนะค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะอ่าไปที่จมณ์แม่กับเจดที่กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอาว่ายังไง วันนี้มาส่งกันว่าแล้วก็รายงานครับอว่ามาเจตี้ขอรายงานงานก่อนนะครับอ่าก็คือที่โรงเรียนนะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะตี้ได้ส่งเล็บกับผมของเพื่อนครับแล้วก็มันน่าเกียรติมากเลยครับอะไรเล็บเลยเล็บครับสองกล้อนจุลธาตุนะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เห็นแล้วมันน่าเกียรตดยังไง อันอันแบบมนใชลโลมเชลรลครับอ๋อได้คนเราได้คเขาไดของเราเรอ เ, เรอเ่เห็นเชอกอะเลยก็ยไม่ได้เห็นเขาแต่ว่ามันมันเห็นกับมันน่ามันน่าเก็บมเชลโลครับเร่มไปวางไว้ที่ใต้กล้องจุลทรรศน์เลยนะใช่ค่ะอืแล้วขยะกี่เท่าอ่ะ ไม่ไแน่ใจครับแล้วยังไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความน่าเกลียดครับไปทำงคนนี่ก็ทำเรหนึู่ในน่าเกลียดไหมโอเคแล้วมีอะไรไหม จะมาตุ้มเยอะครับไม่มีอะไรก็คือจะปีนี้จ ะ, จะมอะไรงานรายงานยังไงนั่งสมาธิเลยเปรายงานว่าพอศึกษาธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆครับเวลาที่แบบมีอะไรมารบ ก, กวนกระทําหันก็จะไม่ได้โกรธง่ายเหมือนแต่ก่อนครับเพราะรู้ว่ามันมเป็นอ น, นัตตาครับอืมไม่เสียใจครับเออ อารปฏิบัตินี้เพื่อไม่ให้เราเสียใจแม่เราทุกข์ใจเนี่ยถ้าทุกใจเสียใ จ, จแสดงว่ามันเกิดจากความอยากของเรานะรเราต้องไม่อยากว่าเราควบคุมสิ่งที่เราอยากไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับเด็กต้องนั่งสมาธินะถึงจะสามารถที่จะควบคุมใจได้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 เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพลาดจากของนะของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรมกรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องอาศัยเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, นั้นสืบไป เราทั้งหลายคนทีพิจารณาอยู่นี้ทุกวันทุกวันเถอดนี่พิจารณาทุกวันหรือ่าพิจารณาอาแล้วเชื่อไหมเชื่อครับอเชื่อแล้วเราก็ต้องทำปฏิบัติตามคำเชื่อครับแล้วร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจกลับทางพืชไตปอด<า> <ใน S 2> ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตา น้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเลดน้ำดีเพื่อในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ใส่น้อยใส้ใหญ่ปอดไตทางผิวตับ หัวใจม้าเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันแลบขนผมเห็นอาการเหล่านี้ไหมเห็นครับเวลาเห็นคนเห็นอาการเหล่านี้บ้างไหมเห็นเห็นครับเห็นนะเห็นตอนไหนเห็นตอนที่มีสติครับอ่ตอนไหนมีสติบ้างอะก็ ตอนที่เดินส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ัครไหม ừ, ừ, ừ, ต้องบอกตัวเองต้องมองอาการทังสองนะเห็นใครกันแล้วก็มีอาการทันสองหรือเปล่าถามตัวเองดูครับ ừ, แล้วก็มองเวลามองร่างกายเราก็เหมือนกันนะร่างกายเราก็มีไหมมีครับแล้วสวยงามไหมใช่ครับโอเคต้องฝึกบ่อย ทำบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกถึงภาพให้เหมือนเห็นภาพด้วยไม่ใช่เห็นแต่ชื่ออย่างเดียวฝึกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งนะเป็นความรู้ที่สำคัญถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวมันก็มันก็เลือนไปมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วคับโอเคถ้าไม่มีอย่ า, ทางท่านนี้ก่อนนะ ค่ะคราบขอบพระคุณพระอาจารย์วันนี้ตะวันไม่ได้มาใช่ไหมมาครับอยู่ีๆข้างล่างจะมีน้องพีครับน้องพีอน้องพีก่อนแล้วก็เดี๋ยวตะวันครับอน้องพีก็เข้ามาเลยน้องพีสวัสดีครับเป็นยังไงครับหลวงตาสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีครับน้องพี เราไม่คั้นถามว่าโอกนี้เป็นแค่ภาพลวงตาที่ให้เรามาสร้างบุญอย่างเดียวไหมครับรือโอกนี้มันเป็นภาพที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆออมันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนมันมาแล้วเดียวมันก็ไป อ, อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้อยู่ชั่วคราวนนั้ถ้าเราไป หวังพึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็จะเสียใจเวลาเขาผ่านเวลาเขาจากเราไปออย่าไปหวังพึ่งลรกสิ่งเหล่านี้ให้เราพึ่งบุญนะบุญนี้จะเป็นสิ่งที่จะรักษาใจเราให้มีความสุขได้จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ดังั้นจะว่าเราเกิดมาเพื่อทำบุญก็ได้นะ กบุญเนี่ะเป็นสิ่งที่เราไม่มีกันตอนนี้มีเลกมีน้อยมันต้องทำบุญให้มากๆบุญก็มีหลายระดับด้วยกันทำทานกบุญรักษาศีลกบุญนั่งสมาธิกบุญังเทศส่งธรรมกบุญอ่าอมีหลายหลายแบบพยายามทำให้มากเท่าที่หนูจะทำได้ทำอะไรได้บ้างอ่ะวันนี้ เคยทําทานต้องไหมเคยเบริจาคเงินเคยใส่บาตรเคยทําบุญต้องไหมใส่บาตรบริจาคเงินครับอแต่วก็ ใ, ให้ทานารักษาศีลได้ไหมรักษาครับไม่พูดผลได้ไหมรักษาตอนนอนครับโอใคล้ายๆก็รักษาได้ตอนนอนอ่ะ <c oughs> ต้องรักษาตอนตื่นนี่ตอนตื่นทำไงครับ ต, ตื่นรตื่นรักษาอะไรได้บ้างคันตีนเอ่ะรักษาคันฆาตพูดดื่มเหล้าดื่มโดาเหล้าดื่มโซด า, ดาผิดลูกผิดเมียแล้วก็คฆาตฆ์ตศัตรูต ร, รักษาของขอวยได้เปล่า ขโมองเคยขมยของไหไม่ค่ะไเอาของของคนอื่นเลยไม่ได้ขอเขาก่อนเปล่าน้อน้องนี่เอาปากกาแม่มาเขียนมันน้องต้องบอกก่อนมขออนุญาตก่อนนะถ้าไม่ได้ขอเขามาค่ะเราโกหกไหมพูดปดไหม ให้เป็นได้สารภาพได้อ่าสารภาพพูดไปตามความจริงอนี่ไม่แนวโทษกันเถียงครับอะไรนะยังพูดโจกอยังพูดอยู่เลยก็มุสาล้อเถียงนะไม่ใช่เถียงไม่ได้ไม่เถียงไม่ได้หมายความมุสาเถียงอาจจะพูดความจริงก็ได้ครับอือเถียงไม่ได้มุสาแต่เพียงแต่ไม่ควรเถียงกับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สอนนารายาไปเถียงผู้ใหญ่นะะ แต่ถ้าแม่ถามว่าเอาของนี้ไปเอาของแม่ไปหรือเปล่าแล้วถ้าเอาไปแล้วบอกผมม่ได้เอาไปเขาจะโกหกมั้ยใช่ไหมครับอือย่าพูดโกหกนะแล้วนั่งสมาธิได้ไหมนั่งสมาธิได้ครับแล้วก็พอใส่เสื้อก็ยิบยุกยิบเหมือนเดิมคันได้ค่ะ ย่าไม่สนใจได้ไหมเวลาบันกัรก็ลองนั่งพุโทโธพุโทโธไหให้อยู่กับพุโทโธก็อถอดก็อถอดเสื้อก็คันผม ม, ม, นมันเป็นกิเลสเวลานั่งดูทีวีไม่คันเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นกิเลสกิเลสไม่ชอบนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วมันคันเันไม่ทำ ไ, ไม่สนใจไม่เป็นมันไม่อันตรายนะ ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าหลวงพี่นั่งรอหลวงตาตักนานนี่เห็นนลวงพี่คันเลยเห็นไห ม, มประจัยจดจ่อที่จะอยากจะคุยกับหลวงตาเใช่ไหมมีสมาธิตั้งใจฟังไม่เห็นคันเลยตอ็ตอนั่งสมาธิก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันมีอะไรไมีอะไรไหมครับ ไม่มีแล้วครับมาฟังทำกับน้าโปรครับคิดถึงคิดถึงอตาครับอ่าดีมากพยายามทำเรื่อยๆนะครับพยายามเข้ามาฟังทุกอาทิตย์นะครับฟังเปิดให้เขาฟังทุกวันเลยค่ะเวลามีคลิปเก่าคลิปใหม่อะไรเงีเ้ยก็จะเปิดให้ฟังบ่อยๆมันจะแบบสวดน ม, นนมนั่งสมาธิเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะ ก่อนนอนก็จะมีเสียงหลวงพ่อแล้วก็เสียงครูบาอาจารย์หลายๆรูปอย่างเงี้ยค่ะยังเสียงหลวงปู่พูธก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิ ด, ดฟังแล้วก็หลงตามมาหาหงพ่เนี่ยหนูก็ชอบฟัง<ด>เปิสียงธรรมเสียงธรรมท<ำ>ําให้ใจเย็นทำให้ใจมีความสุขนะสอนใจให้รู้จักจผิดถูกดีชั่วนะ ยังฟังไ้เรื่อย ๆ, ๆทำบุญสัญนทางรักษาศีล น, นั่งสมาธิฝังเทศฝังธรรมจะได้ครบกร บ, บุญทุกชนิดเลยโอเคมีอะไรไห ม, มอยากจะทมอะไรหรือเปล่าไม่มีมค่ะแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตออกจากซูมแล้วเดี๋ยวฟังใน y o u t u ู e ต่อคนอื่นจะได้เข้ามาได้ที่รอได้ค่ะ กับนมาส ก, การ์นะคะใช่สาธุจ้ะไปที่น้องตะวันะตะวันอทอแดนตะวันว่ายังไงพระนรสมารชองศัรั บ, อ, รบอืนนี้รายงานครับอ่ไม่ได้ยินเสียงพูดดังหน่อยได้ไหมเออวันนี้รายงานครับารายงานเอว่มามามีอะไรบ้าง ผมก็เห็นบน YouTube ผมก็เห็นคลิปของศพที่จายแล้วแล้วมองก็มีเขาก็ไหมในเขาก็ไหมข้างอกไมาคำพิมาถึงผิวคาดำใช่ไหมไหมด่คลิปเจ้าค่ะพระจารย์เป็นศพที่ คนตายแล้วนะคะแล้วก็เอามาเผาแบบสมัยเป็นชาวบ้านเป็นโบราณแบบนี้นะคะระาบการแจ้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันไหม้ไปแบบนี้นะคะเนั่งดูด้วยการจาดพระอจาืย์ยัเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างในวิกิพดูสึกดีแต่ตอนที่เชดูผก็ ด, ดีมากเลยแล้วเคยคิดไม่ว่าสักวันนึงร่างกายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน วัวหอืมนิดเดียวค่ะอืมนะร่างกายไม่ใช่เราตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้วเราไม่ได้อยู่กับร่างกายนะร่างกายไม่รู้เรื่องแล้เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนแต่เราต้องเราต้องจากร่างกายนี้ไปนะต้องเตรียมตัวเตรียมใจ อย่าไปเสียดายอย่าไปหว่วงอย่าไปยึดติดกับร่างกายพอถึงเวลาจะไปก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปเข้าใจไหมทำใจให้มีพุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วใจจะไปอ ย, อ, อย่างสบายพยายามนึกถึงภาพนี้บ่อยๆนะจะได้เตือนใจเรา มาเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรที่เตี้ยงแท้แน่นอนอยู่โลกชั่วคราวผู้คนที่มาอยู่ในโลกนี้เดี๋ยว่าต้องไปกันหมดไม่มีใครน้องเลยอยู่ในโลกนี้ไปก่อนไปหลังไม่ฝึกสมาธิอย่องเแล้วใจจะไม่เสียใจใจใจจะไม่ทุกกับเรื่องของร่างกาย ใจจะยอมรับความจริงได้นะ้องตาก็เคยเห็นศพตั้งนาดตอนที่อายุเท่าน้องตะวั น, นให้งานศพเพื่อนนอนอยู่ในโรงก็เปิดโรงให้ไปคารวะครั้งสุดท้ายเ็ื่อมองพรนพุทธมคคิดถึงตัวเรากลับมาแล้วต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานะ ันต่อไปคนที่เรารักพ่อแม่พี่นอ้องปู่ย่าตายายก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดคิดเป็นหมดนะคิดของมันไป อ, อ่านแล้เอามาพิจารณาเรียว่ามรณานุสติอันนั้นเงควมตายไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายของเราเท่านั้นร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันร่างกายของทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเจอวันตายกันด้วยกันทุกคน แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยยังต้องสอนใจให้เตรียมเตรียมตัวว่าอะไรจะก่อเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นกับเราก็ได้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดเราเช่นพ่อแม่เราก็ได้ะเราคิดไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะได้รู้ทันรู้ทันมันจะไม่ตกใจจะไม่เสียใจจะทําใจได้ บจัยหมแตต้องฝึกสมาธิด้วยนะถ้าไม่ฝึกสมาธิอ่าทำใจไม่ได้มีอะไรไหมแล้วแม่มีไหมพระอาจารครคบเดี๋ยว น, นี้ที่เมืองไทยนี่เวลาไปงานศพนี่เขายังมีแบบให้ให้คนที่มาเนี่ยเขาดูในโรงศพ เห็นศพแบบ น, นี้อยู่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าเขาปิดปิดหมดแล้วนะครับถ้าอยู่กับชาวบ้านนี้ก็สมัยที่เราอยู่กรีรในสวดศพเนี่ยเขาชาวบ้านเขาไม่มีศพเป็นโรงเขาทำเป็นเหมือนกับโครงไม้ไผ่แล้วก็เอาผ้าแปะเอากระดาษแปะแล้วก็เศพนอนไปในโรงแล้วก็เปิดโรงไ ม, ไม่มีฝาปิดเวลาผ้าไปสวยก็ เวลาที่พระเอาเหล่าไม้อะไรไปก็วางไว้ในศพก็เห็นศพนอนนะเขาก็ไม่มีเมนเขาจะเอาไปไว้เผาที่ป่าช้ามีเอาสัตว์ไม้มากรองไว้แล้วก็เอาลงศพไปตั้งไว้บนกองไม้แล้วก็ท่อนไม้สองท่อนประกท บ, ท, บทับลงศพไว้กันเวลาร่างกายเวลาตดนไฟแนละ้วมันจะงอขึ้นมา ก็เห็นอย่างนั้นแต่เด้าวนี้ไม่รู้เขาก็ายังทำอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นก็สี่สิบปีมาแล้วสี่สิบกว่าปีมาแล้วเพราะว่าหน้าสุดโยมโยมไปงานศพมานะคะพระาจารู้สึกจะสองปีที่แล้วเป็นเป็นคุณป้าของุณมา์โกนะคะก่อนงานเผาเนี่ยเขาจะเปิดให้อ่พวกญาติญาติเนี่ยไปไปคารวะศพ ก็ S <S คือเขาจะเปิดโรงนะคะแต่ว่าก็คือแต่งเป็นเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะมีแบบแต่งหน้าทาปาแบบนี้ค่ะอาะจารย์ก็เหมือนคนปกติอย่างเงี้ยใช่แต่คือเขาแต่งหน้านะคะอาจารย์คเอ๊ะถ้าไม่แต่งหน้าศพเนี่ยจะมีคนกล้าเขา้าไปหรือเปล่าก็มันก็ตาเก็บสมัยนี้มันมีตู้เย็นแช่ยเย็นมันก็คงจะไม่เหมือนก็จะไม่ไม่ไม่เน่าเปื่อยเท่าไหร่ไ ม, ไม่แต่ของชาวบ้านนี่เขาตาย ตายวันนี้เขาเขาตายเช้าเขาเผ า, า, าเย็นไปนึกถึกเขาไม่ได้เก็บไว้ไม่มีที่เก็บนะยังศพที่ไปดูก็ยังเป็นศพใหม่อยู่ยังไม่ได้แบบว่าหน้าพองอะไรขึ้นมาี้เหมือนคนตกตาดีดนอนนอนไปเดี๋ยวว่าสมัยก่อนจะดีกว่านะครับอาจารย์มันได้เห็นความจริงโดยแบบไม่มีการแต่งเสริมขึ้นมาแบบนี้ก็สมัยก่อนพลา ถึงน่าไปเยี่ยมป่าชาเพราะสมัยก่อนก็ไม่เผาศพก็เอาศพไปทิ้งไว้นในป่าชาเนี่ยเี่ยมมากก็าาพันไม่หนอกเกือสบสบศพชนิดในกรรมฐานในกรรมฐานบีเขาไม่นาไปพิจารณาสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆศพพองขึ้นอื่น น, น้ำเลือดน้ำเหลวไหลออกมาดำคำั้มผิวดรับ มีนอนมาใช่มี ก, ก้นกัดมีแรงกามากัดอะไที่ฮอลแลนด์มันยังยังไม่มีโอกาสไปเห็นของจินนะคะอาจารย์รู้สึกจะไม่มีเคยเห็นแต่ใน y o u t u ู e จะมีที่บทดี้ฟารที่อเมริกา น, นะคะอาจารย์แต่ที่นี่รู้สึกจะไม่มีะะอืมม่มีเนืน้อมีคร่ อ๋อที่เป็นอังสตาดามจะเป็นวิทัศการที่เป็นเอ่าเป็นล่างมนุษย์ที่เขาเหมือนกับว่าเอาหนังออกแล้วก็แบบกระตาเอาไว้แบบนี้ใช่ยอู่แต่มันไม่ค่อยสะใจคนไม่เห็นแบบมันไม่เห็นแบบอย่างนั้นมันเลยมันมันเลยกลายเป็นตุกตาไปแล้วะใช่ให้ให้ดูเพื่อให้เกิดความสลดทางเมฆให้เกิดความรู้สึกได้ ต้งปให้ดูเพื่อปง่งแล้วก็ดูเพื่อรับความหลงกว้างในร่างกายนี้มันสวยงามนั้นเองไม่ต้องขนาดให้ดูให้ดูออกสิบสิบหรอกกันดูพอให้ดูว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมองให้นึกถึงภ า, ภายใต้ผิวหนังก็พอว่ามีอะไรบ้างในใต้ผิวหนังที่หุ้มห่อร่างกายนี้อ ว, วัยวะที่เรามองไม่เห็นนี ให้กถึงภาพเหล่านั้นก็มันก็พอที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่มีไม่มีความยินดีไม่มีความรักความอะไรในร่างกายของไข่นันเองดูเพื่อละการวลาคา่ะแล้วดูเพื่อให้ยอมรับความความตายว่าเป็นของธรรมดา ก็เราจะได้ไม่ตกทุกข์ใจเสียใจเวลาร่างกายมันตายพระอาจารย์คะล้วในขณะที่เราดูอย่างนี้ไปนะคะแล้วก็พิจารณาไปด้วยนี่เราจะทราบได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราพิจารณาเนี่ยมันเป็นปัญญาแล้วมันเข้าไปสู่จิตใจของเราจริงๆนะคะก็ต้งเจอของจริงเลยลเราก็ลอาจจะต้องไปอยู่ที่มันเสียงเสียงเป็นเสียงตายอย่างพระป่านั่นไปอยู่ในป่า อาจจะไปเจอเสือเจอสัตว์อะไรต่างๆแล้วเวลาจะเอกันนั้นใจของท่านจะตรงได้ไหรือไม่เพีจะรู้ว่าความจริงแต่ยังไม่เจอของจริงยังไม่เจอข้อสับนี่ก็ยังเป็นเพียงแต่การทำกันบ้านปนบางครั้บ่อนเดี๋ยวหาโอกาสกืม <laughs> หรือถาสมุติขึ้นเครื่องอยู่เครื่องมันเสียกลับไปนันบอกว่าตัวใครเปลี่ยน้าเนอนสถานะก็จะดูว่าดูใจว่าเป็นยังไงได้อยให้มีอกอย่าให้มีเช่นนั้นเลยเอย่าไปเจอไม่อยากยาจะเจอข้อสอบไม่อยาไปรู้ได้งไงว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่อ่ามันต้องเจอข้อสอบเจอของจริงน่ยมั มิวอาจจะมีมีโจรขึ้นมาป้นป้นบ้านเราแล้วเอาปืนมาจ่อตอานี้นะแล้วเราจะรู้สึกยังไงของจริงยังไม่เจอมีแต่ในฝันนะคะพรอาจารย์ใจเพราะมันก็เป็นแค่ฝันยังไม่เจอของจริงยอมหรือเปล่ายอมแล้วยอมยอตายหรือเปล่ายอมยอมค่ะสองสารอบแล้วยอมแล้วคจะรู้ว่าจะตายแล้วยอมเลยครัอาจารย์ก็โอเคก็น่าจะโอเคอันนี้คือคือจะปลอบใจตัวเองได้ใช่ไหมครับอาจรังน่าจะโอเคอยู่ มันความฝันมันก็ใกล้กับความจริงอ่ะเพราะกานที่เราฝันเราไม่รู้วมันเป็นฝันเราเชื่อว่าเป็นความจริงอะแล้วตามถ้าขณะที่เราอยู่ตอนนี้เราไม่กลัวความตายก็มันก็มันก็ได้อใน ร, ระดับหนึ่งถ้าเราอยอมรับความตายนะแต่จะได้มากได้น้อยนี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าของจริงกับของของจําความจํากับความจริงมันไม่เหมือนกัน อันนี้เรายู่ใช้ความจํำอยู่ยังไม่เจอความจริงโอเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะวัชร์เดี๋ยวเก็บไว้สัปดาห์หน้าโอเ ค, อเคขอบคุณงั้นไปที่ท่านต่อไปอันนี้คุณหมอไม่อยู่หมอพิเชษไม่อยู่ต้องไปที่คุณส า, ศ า, ศ า, ศาริกาตอบปันธรรมค่ะวัชร์ไมมีคําถามค่ะ เงยเงยไปที่คุณวาลเลนยัง อ, อ, อยู่ที่เกียวโตอยู่ับบาทวาเลนครับอยู่ที่เกียวโตอยู่ครับหลวงพอ่อกรับมาราชการครับผมก็อยู่ที่นี่มานับเวลาก็ประมาณเก้าเดือนแล้วครับหลวงพอ่อมาเรียนภาษา ญ, ญี่ปุ่นนะครับก็ดูช่องทางหาความรู้เปิดหูเปิดตาอะไรอย่างนี้ด้วยครับหลวงพอ่อเราจะเรียนในระดับโรงเรียนเข้านั้นหรือปล่าไปถึงเรียนวิชาการหรือเ่าหรือไม่เอาแค่ภาษาอย่างเดียว ก็ก็ตัดสินใจก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่าจะเอาอย่างนั้นด้วยดีไหมกลับมาเมืองไทยก็ดูไว้หลายๆอย่างครับก็คุยกันที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันครับครับแต่ว่าเดือนหน้ามันมีปิดเทอมก็่าจะก็น่าจะกลับเมืองไทยไปครับถ้าเดือนหน้าอยุ่ประมาณเดือนหนึ่งครับอันนี้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไปไหนมาไหนก็มันในห้องเรียนได้ครับแต่เจอความเร็วระดับ คนพื้นเมืองคนท้องที่มันก็ไม่ทันเขาครับเขาเหมือนภแบบาษาที่เขาใช้จริงมันจะเร็วก็ต้องได้เฉพาะที่เรียนอยู่กับตอนนี้แต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าแบบพูดคุยเม้ามอยอย่างนี้ไม่ได้ครับมาถามทางได้ซื้อของได้ได้ใช่ครับสามคลองได้ซื้อของได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเจอคําศัพท์ที่มันไงเหมือนภาษาอังกฤษในหนังสือกับเวลาใช้จริงมันก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวอย่างนั้นนะครับอืม แต่ก็ตัวรอดได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับแล้วก็ก็ก็ตั้งก็ได้ฟังธรรมก็ที่ตอบหานปัญหาทําหลายท่านก็ดีครับก็ก็อย่างเช่นที่คุยกับหลวงพ่อครั้งล่าสุดหลวงพ่อก็เน้นว่าปัญญาก็มีบ้างแล้วแหละแต่ต้องสมาธิอันนี้ก็คือแบบก็พยายามจะทาให้หนักแน่นมากขึ้นครับอก็พยายาม พอมีสมาธิมันจะได้มีความจําดีด้วยพอรู้สึกบางทีมันใจลอยมันก็จำอะไรไม่ได้ยิ่งภาษาญี่ปุ่นมันตัวมันแปลกเยอะอะไรอย่างนี้มันมันไม่คุ้นเคยเหมือนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอย่างนี้ครับมันก็ต้องใช้ความพยายามมากอยู่ครับแต่แล้วก็เรื่องธรรมะก็ก็ถามก็อย่างพิจารณาทุกวันอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยว วันเสาร์นี้จะวันเกิดผมอีกแล้วครับหลวงพ่อเดี๋ยวขอผอนวันเกิดลุงนาด้วยครับผมวันเกิดมันขอผ่อนมันเกิดมันดีหน่อยนะน้องวันขอผ่มันไม่เกิดนี่ครับใช่ครับหลวงพ่ออ๋อแยกผมเกิดมาเกิดเลยนะครับาธุเกิดมาแล้วมันทุกข์ไม่มีอะไรสุขในโลกนี้ม่เด็ดทุกข์ทันั้นกินกินข้าวอิ่มไปไม่เกินไม่ไม่กี่ วันเดียวก็กลับมาหิวใหม่แล้วมันอยากกินเราไม่ต้องหิวอีกไม่ได้อยเนี่ยมันก็แบบก็ไม่ต้องเกิด <c oughs> ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องกินเลยคนตายน <c oughs> ี่นได้ดีกว่าคนเป็นคนตายไม่ต้องไปดิ้นนนหากินธรรมากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอมครับมนเปี่ยลำบางมันเป็นแ <c oughs> ล้วต้องคอยดิ้นน น, นตลอดทุกวันจนตายแตงฝา <c oughs> นี้ต้องแตงประจนตายกินกินน้ํากินข้าวต้องกินจนตาย ร่างกายอย่ากรรมไมเ่กมเกินนะ ป, ปฏิบัติปาธุครับก็ปีนี้ผมยี่สแปดแล้วครับผมพ่อจะ3ามสิบแล้วครับเร็วมากเลยยี่สิบแปดีล้วก็แปดสิบแล้วเนะี่ยผมไม่รู้ผมไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่นานขนาดนั้นได้แบบนี้ทำประโยชน์นะมัะเจ้าบอกยงยังประโยชน์ให้ความเน่ยด้วยความให้ประมาณ นี่ทำไเรื่นอนี้เพรเราไม่รู้ต่อจะตายเมื่อไหร่ น, นะครับประโยชน์ตัวเองประโยชน์ท่านอ่าตอนเราตั ว, ตวให้หลุดพ้นก่อนแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อครับจะน้อมนําไปใช้ครับหลวงพ่อกราบขอบพระคุณตลอดมาตลอดไปครับผมคุณมิเชยเราขเข้ามาแล้วหายไปไหนมาวันนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่อ่ะ มาตรการค่ะพระอาจารย์อ๋อยังอยู่บนเขาคงหน้าค่ะมไม่ได้เข้ามาตามสัปดาห์เลยค่ะพระอาจารย์เป็นไม่สบายค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่อ่อคออักเสบค่ะเลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนนี้ก็กลับกลับมาได้แล้วค่ะพระอาจารย์เออยังคิดถึงการที่ที่ฝึก ใช้สติอะค่ะที่นั่งสมาธินั้นอหมายถึงว่าให้ที่อาจารย์บอกว่าให้นั่งเฉยๆนานๆ น, น, นะคะอืแบบตอนนั้นอยากจะกลับมาบอกพอาจารย์มากค่ะว่าพลังสติมันดีกว่ามากแบบหน้ามือหลังมือเลยค่ะอย่างถ้าตอนที่นั่งเครื่องบินแล้วมันตกหลุมอากาศพอเราทําใจว่าไม่เป็นไรมันก็หายไปเลยค่ะหรือว่าตอนที่นั่งนั่งรถค่ะปกติหนูจะเมารถก็มีสติรู้ว่าอ๋อมันไม่มันร่างกายมันจะต่อต้านตอนที่ใต้เรา กับตัวไม่ไม่สัมพันธ์กันพอรู้ปุ๊บแค่รู้อะค่ะเขาก็อาการเมารถก็หายเลยหลายๆอย่างเลยค่ะมันมหจาจัรย์มากค่ะแต่ว่าตอนนี้พอช่วงที่ป่วยก็ได้แค่ดูลมก่อนนอนหรือว่าไม่ไม่ได้ทำค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็จะคิดถึงเห็นแล้วเห็นประโยชน์ค่ะต้องพยายามทำบ่อยๆถ้าอยากจะได้สติมากๆค่ะพระอาจารย์ ค่ะวันไม่มีอะไรค่ะวันนี้ไม่มีคำถามอะไรค่ะโอเคนะสตินี่สำคัญมากพยายามแสดนสติให้มากสติจะนำไปสู่สมาธิเป็นสู่เบคะไะ ป, ปสู่การใช้ปัญญาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะจะเริ่มกลับมาทำต่อแล้วคะ okay. ่ะโอเคนะจุ๊บอ่าไปที่คุณยายกับสันโดษ นมัส ก, การครับ ค, คุณยายสบายดีนะอ่าก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมค่ ะ, อ, ะ <laughs> อยู่ที่บ้านก็ลงความภาวนาพุทธโธพุทธโธนะอย่าดูทีวี ท, ทุกวัน <laughs> ทุกวันเลยค่ ะ, อ, ะอย่าดูอย่าดูทีวีมากเกินไปนะ <laughs> ดูนิดดูนิดหน่อยค่ ะ, ะส่วนมากยายก็ไหว้พระสวดมนต์ตลอดเลยะนะคะเพรา ะ, ะยายอยู่คนเดียวนะคะ่ะดีไหว้พระสวดมนต์เนี่ยนนนะดีเป็นการเจริญสติ ค่ะยาอยาอยู่ทุกวันเลยคะ่ะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยคะ่ะถ้ า, ามีโอกาสฟังเศทศสองธรรมด้วยก็ดีจะได้ปัญญาคระอาจารย์ก็ทักยายเข้ามากราบพระอาจารย์เช่นเคยแล้วก็มาส่งกันบ้านแล้วมีปัญหาธรรมมาสอบถามครับามาครับ <c oughs> ก็พอกลับไปฝึกเจริญสติเนีย สิ่งหนึ่งที่พบเลยคือกำลังมันแน่นขึ้นเวลาพิจารณาปัญญาคราว น, นี้ตอนนี้พระอาจารนยะ์ฮะคนคนหลายคนเริ่มเริ่มไม่พอใจหมแนะเพราะว่าผมดูไม่ค่อยตื่นเต้นกับวันเกิดบางทีวันเป็นวันเกิดเขาเนี้ยแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นดีใจงนนี้อถ้าจะเล่าผิดไหมฮะ่รงนี้เราต้องเราต้องไปดีใจ เขาเหมือนมองว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับเขาพอพอวดีใจกับความทุกข์ของเขาเลยตามว่าเดียวเราดีใจกับความทุกข์ของคุณนะน่นน่ะสิฮะเกิดมาแล้วมันสูงก็มันทุกข์อ่ะไม่ฉลองฉลองความทุกข์กันฉลองวันเกถ้าก็ฉลองความความทุกข์เลยอาจารย์ผมก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพระอาจารย์เลยต้องมาสอบถามพระอาจารย์เพราะบางทีเหมือนเรา mm hmm. อยู่นิ่งๆวันเกิดเพื่อนอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อนเขาก็เหมือนประมาณไม่ใจหน่อยหน่อยว่าเฮ้ยนี่วันเกิดเขานะทําท ไ, ม <laughs> ทไมทําไมทําตัวเฉยชาเราไม่เคยฉลองวันเกิดเราเลยแต่ทําไมญาติโยมชาบมาฉลองให้เราเลยก็ไม่รู้ <laughs> ก็ต้องฉลองครับพระอา mm hmm. อจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เปมาชาตินี้สั่งสอนลูกศิษย์ครับเออมันกับตาลปาดกัน อาจารไม่ไม่ฉลองแต่ลูกเสรยจกรรมมาฉลองเองแใหงวดื้อแสดงว่าดื้อแสดงว่าดื้อแสดงว่าธรรมะยังเข้าไม่ถึงใจต้องแบบต้องแบบหลวงพ่อพุทธทาสันวันเกิดท่านท่านอดอาหารท่านท่านไม่กินอาหารท่านท่านได้เคยได้ยินครับได้่าวแต่ผมก็ดื้อซะด้วยสิ ครับผมอาจารย์แล้วก็ตะ ก, กี้ที่นั่งฟังอยู่เห็นบอกว่าอีกวิธีการทดสอบหนึ่งคือผ่านความฝันใช่ไหมครับอาจารย์ว่าในเรื่องราวในความฝันถ้าเรายอมมันได้ให้ได้เราผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเลยจะมาเรียนพระอาจารย์ว่าผมน่าจะตกเพราะว่าคือในชีวิตจริงมันทําได้ครับพระอาจารย์แต่ในฝันมันเหมือนเราไม่สามารถควบคุมได้มันกลายเป็นเราอีกคนหนึ่งซึ่ง มันไม่ยอมอ่ะอาจารย์คือในชีวิตจริงมันยอมหยุดเย็นได้แต่ในฝันทําไมมันกลายเป็นคนที่ไม่ยอมเก็แสดงว่าเรายอมหยุดเย็นแบบไม่จริงเลยครับอาจารย์ก็อาจจะยังอาจจะแบบยอมหยุดเย็นเพราะนึกถึงพระอาจารย์แต่ความจริงยังโกรธอยู่อะไรประมาณนี้มั้งครับอาจารย์ใช่ไหมยังไม่จริงเลยยังไม่จริงอครับในฝัน น, น่าจะจริงกว่า เพาความฝันเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะมันต้องเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมันนะงั้นเราก็ต้องยิ่งทาให้มันจริงใช่ไหมฮะไอยอมหยุดเย็นยิ้มเนี่ยอมันไม่เป็นความเคยชินไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่เสแสร้งบางทีพระอาจารย์มันก็เหมือนแบบเราก็ไม่พอใจจริงๆกับพระอาจารย์แต่ว่าเราก็เบื้องหน้าเราก็ต้องยอมหยุดเย็นยิ้มไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมีเรื่อง ใช่ น, นั่นก็เป็นการบังคับมันไม่ได้เป็นไปแบบธรรมชาติยังไม่เห็นว่าการยอมนี่มันเป็นสุขมันสบายาอาจารย์ครับแล้วก็ล่าสุดมานั่งอ่านเป็นจังคับสูตรของที่ที่ได้มาจากนาคุติครับอาจารย์แล้วก็ไปถึงตรงสติประธานสูตรฮแล้วก็เลยเกิดคําถามว่า มันจะมีเซกชันกายเวทนาจิตธรรมอันเนี้ไอ้ตรงจิตนะจิตตาปัศนาสติปัฏฐานเนี่ยเราเขาบอกว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะแต่อันเนี้ยเราจะแยกไงครับอาจารย์ว่าอันเนี้ยมันคือจิตกับอันเนี้ยมันคืออารมณ์นะอาจารย์โมหะก็เป็นอารมณ์นะจิตคือผู้รู้ คือมันไม่ใช่ไอตัวตัวนั้นแต่มันคือรับรู้ว่าเราต้องรับรู้ว่าเรากำลังรับรู้สิกงนะอย่างนี้นะครับอาจารย์คือเราไม่รับรู้ถ้าเราชอบเราชอบไปมีอะไรกับอนุมที้เกิดขึ้นเป็นดีใจเสียใจกับอนุมนี้มันเกิดขึ้นเราต้องฝึกให้รู้เฉยๆเจ็บเครียดก็รู้มันเครียดแต่ไม่ต้องไปเครียดกั น, นไปดูวเป็นอนิจจันไม่เที่ยงมันก็ผ่านไป จิตสงบก้าไม่เฮงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจิตสงบแล้วเดี๋ยวก่ากลับมาเครียดมาพุ่งสั้นหม่ก็ได้ใช่ไหมจิตแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมให้รู้ทันมันใช่ก็คือให้ดูว่าตอนนั้นไอ้ตัวผู้รู้หรือ invisible man ของเรามีสภาพเป็นยังไงอืมเฉยเปล่าเบราหรือเปล่าหรือไปช่างกับอ น, นุมณ์หล ไม่ดีใจใย่ไหมให้มัะปล่อยวางปล่อยวางไม่เดือนร้อนจิตมันจะเครียดก็ปล่อยมันเครียดไปมันจะสงบก็ป่อยมันสงบไปเหมือนกับนั่งกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเวตนามันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปปล่อยวางทุกอย่างให้รู้เฉย ยากใช่ค่ะเวทนาเหล่านั้นเอเวทนาความทุกข์ความเมื่อต่างมันก็มีอยู่แต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราแค่ไปรู้มันรู้รู้เฉยๆแต่มันก็จังมีอยู่ถูกต้องมันมีแต่เราไม่ไปทุกข์กับมันเข้าใจไหมมันมีทุกสองแบบทุกของเวทนากับทุกของใจใจอย่าไปทุกข์กับอะไรทั้งนั้นท่นใจปล่อยวางใจรู้เฉยๆใจก็ไม่ทุกข์ ถ้าใจไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็ทุกขึ้นมาเครียดขึ้นมาเนีย่อยอย่างที่อยากให้เพื่อนฝูงเขาไม่มีอะไรกับเราอันนี้ก็อยากไม่ใช่ไหมทุกข์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมไม่ฝังชื่อตัวเอง <laughs> เรายังไม่เฉยใจเรายังไม่รู้ทันยังไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์เมื่อเทือ ความเครียดกับเพื่อนฝูงที่เขาไม่ไม่จอยกับเรายังยังกายยังเพิ่งไปถึงจิตนะเอาเวทนาเอากายให้ได้ก่อนออเวทนาทางกายก็คือในเวทนาในสติปัฏฐานสูตรก็คือดูความเจ็บปวดของร่างกายอ่าร่างกายมันก็เวลาหิวเป็นยังไงมันเจ็บเมื่อเวลาหิว เวลอิ่ ม, ม่ได้อิ่มมันเป็นยังสุขมากเวลาไม่หิวไม่อิ่ม aları, มันเป็นยังใอ่ร่างกางใช่ไหมมั <S <S <Add affili ation> น, นมมสุขไม่ทุกข์เนี <S <S 2> <S 2> ่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งวันนช่ไหมเดี๋ยวการร้อนขึ้นมาก็เป็นยังก็ทุกข์ขึ้นมเดี๋ยวพอได้อาบน้ำขึ้นมาอากาศร้อนหายไปอากาศเย็นเข้ามาสบายก็สุขยัง มีบางทีบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ทำไเงเนลาเกิดเป็นโรคขึ้นมาปวดตรงนั้นปวดตรงนี้อยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายถ้าไปอยากก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ต้องเฉยก็อยู่กับมันไปหันอยู่กับมันไปขอากาศข้าพอาจารย์แล้อย่างแ่า เอสติปฐานสี่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยทั้งเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราพูดง่ายๆก็คือเรามีสติกับแต่ละฐานพวกนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วเรามีสติไปทําไมเพื่อเพื่อเอาไปเข้าใจรักะครับให้ใจเลยได้เพื่อเาให้ใจเราปล่อยวางให้เฉยๆมีสติแล้วก็ทําให้ใจเป็นอุเบกขาได้เวลาเห็นตายนักเห็นนั่งกายเป็นตใจลักก็ปล่อย มันจะแก่ก็ป mm ล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเมตตามันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปมันจะสุขก็ปล่อยมันส like ุขไปจิตจะจิตจะเครียดจิตจะสงบก็ปล่อยมันกสงบไปเครียดไปใจใจก็รู้เฉยๆไปถ้าไม่มีสติมันก็ใจมันก็จะไม่ยอมเฉย มันก็จะมีปฏิิรยารักขึ้นมาดีใจเสียใจขึ้นมาเย็นดีร้ายขึมาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ขึ้นมาแล้ว อ, อาจารย์คะขออา่านแล้วอย่างในฐานกายฮะที่มีสติอยู่กับกายกายทําอะไรก็ให้มีสติรับรู้อันนี้คือเราจะเอาไปปล่อยวางเรื่องไหนครับอาจารย์อันนี้ ก, กเป็นเป็นการฝึกสติก่อนเวลาเริ่มต้นยังไม่มีสติต้องใช้กายเป็นฐานตั้งสติ เงินตาขึ้นมาก็ให้ผูกใจไว้กับกายอย่างจะอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายก็คือไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันอยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายกำลังทำอะไรอยู่หรือจะใช้พุทโธแทนก็ได้ใช้พุทโธพุทโธไปเพื่อหยุดความคิดอันนี้เป้าหมายแรกคือหยุดความคิดสร้างสติให้หยุดความคิดพอหยุดความคิดได้นั่งสมาที่ก็จะได้ให้จิตเข้าไปในอุเบกขาได้ นานเวลาสตินั่ังสมาธิดูลมหมายใจเข้าออกพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ออกมาเจริญปัญญานะะพจิจารณาอันนี้จังร่างกายเป็นไงอันนี้จังหรือไม่อันนี้จังทุกขัหรือไม่ทุกขนันน่าตายหรือไม่อน่าตายสุภาพหรือไม่สุภาพพิจารณาร่างกายอาจารย์ก็พอได้ขั้นตอนการปฏิบัติ น, น, นะอาจารย์ว่า ตอนนี้เท่าที่ฟังอาจารย์มาผมจับหลักไนดะ้แล้วว่าต่อไปเนี้ยเราก็ต้องไปเร่งไอตรงสติให้มันแน่นมากๆพอถึงเวลาพิจารณาปัญญาจะได้มีกําลังสติมันยังแ่ายๆก็ต้องดูตอนที่นั่งสมาธินะนั่งสมาธิจิตโวมเป็นปัญญาสมาธิอันนั้นมันแน่นแต่ยังไม่รวมพัฒนาสติยังมีกําลังไม่มากพอต้าหาความอยากมันยังเอมันยังสามารถทํางานได้ เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นโอเคนะงั้นเมื่อตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องจิตตอนนี้เอาแค่เวทนากับกับกายให้ได้ยังไม่ได้เลยปัญญาครั้นั้นเอาให้สติให้ได้ก่อนให้ให้ได้อปปนาสมาธิก่อนอ่าครับได้ครับกลับไปฝึกยังทําใจไม่ได้ปัญญาเจอความตายทำใจเฉยไม่ได้ทีครับพระจักรก็ ในชีวิตจริงพูดได้แต่ในฝันมันทําไม่ได้ในฝันมันฟ้องเนอะมันฟ้องฝันมันฟ้องว่าผมจอบตกครับผมพระอาจารย์พระอาจารย์นะขอโอกาสเรื่องสุดท้ายครับเห็นน้องๆหนูๆเรียกพระอาจารย์ว่าหลวงปู่หลวตาขอโอกาสเรียกครับเราไม่สมวันเล็กก็สิ็จแล้วใครจะเรียกอะไรเราก็ได้เรียกลุงเรียกหุงลุงมาก็ได้ เออไม่ได้ผมกลัวเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนบากของคนอื่นเราไม่ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเรียกอะไรก็ปล่อยเ็าเรียกไปแต่ปากผมผมน้องห้ามไว้ก่อนออก็ดีว่าแบบคุณผมคุณตาก็เสียไปแล้วเด็กๆผมก็ไม่มีคุณตาให้ใกล้ชิดก็เอาหลวงตานี่แหละครับ ครับขอบคุณอาจารย์ครับบางทีเราก็มีพวกเพื่อนเตกต่ๆว่าเรื่องเราหลงเพื่อนก็มี <laughs> หลงเพื่อนก็ <laughs> แล้วแต่เขาอยากจะเรียกแล้ ว, แ, ลวแต่เขาเขากับเราเป็นฐานะยังไงเป็นเพื่อนไงก็เรียกหลงเพื่อนแล้วก็เป็นน้าเขาเรียกหลวงพี่แล้วก็เป็นพี่เขาไม่เรียกหลงน้อง <laughs> <laughs> ผมก็ไา่จะถามอยู่เลยว่ามีใครเรียกพระอาจารย์หลวงน้อง <laughs> ไม่มียังไม่มีมีแกหลงเพื่อน ลงพื้นครับรับลงตาอาจารย์พช่มาจารย์ับลงตาโอเคนะมาตอนี้ก่อนนะสาธุคุณเหนิงตาเป็นยังไงกลับมาอย่างสติกลับนมัสการพระอาจารย์ก็ค่ะดีขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าสติไม่ค่อยมีลองนั่งเฉยๆสัก3ามสี่ชั่วโมงก็ได้ บ, บังคับให้ต้องใช้สติเจ้าค่ะสามสี่ชั่วโมงนั่งเฉยๆถ้านั่งสบายๆถ้าเมาื่อไก็ลดกนมายืนได้แต่ไม่ให้ทำอะไรให้ใช้สติอย่างเดียวใช้สติสู้กับความอยากอ๋อเจ้าค่ะตอนนี้ยมก็คือจะสวดมนต์อย่างตอนเช้าค่ะเช้ามืดก็ทำวัดเช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ สวดแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีค่ะแล้วก็ออกไปส่งลูกกลับมาก็ก็มีฟังธรรมค่ะอาจารย์หรืออ่านหนังสือธรรมะพอใจิตใจมันเบาๆไม่กระเพื่อมแล้วโยมก็นั่งสมาธิก็สักสาสิบนาทีค่ะตอนนี้พยายามจะไม่ไม่จับเวลาแต่ว่ามันก็เวลาประมาณนะนะคะพระอาจารย์ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแต่ว่ามัน ก, ก็ก็สงบอยู่นะคะพระอาจารย์แต่คงยังไม่ถึงอัปปนานสมาธิ ก็ลองอย่างทำที่พูดเดี๋ยให้นั่งอีกอันนี้สบายๆแล้วก็จะนั่จะสมาธิก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะสวดบนก็ได้แต่ไม่ให้ไม่ให้ดูไม่ให้ฟังอะไรไม่ให้เดินไม่ให้เคลื่อนไหวไปนู่นมานี่ไม่ให้ทําอะไรถ้านั่งแล้วเมื่อกลับขึ้นมายืนเอามันสามสี่ชั่วโมงดยให้มันเป็นรวดเดียวไปเลยม้วนเดียวจบเดูคือนั่งเฉยๆเลยเหรอคะพระอาจารย์ ก็นั่งเฉยแบบนั่งสมาธิไปไจะนั่งสมาธิดูลมก็ได้พุโทโธก็ได้ถ้าเม่อยก็ลดขึ้นมายืนจมยืนจงกรมยืนยืนสมาธิก็ได้พอหายเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่แต่ไม่ให้เคลื่อนไปไม่ให้ไปนู่นมาที่อ๋อเจ้าค่ะจะไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ฟังอะไรเะไม่ให้อาศัยสิ่งภายนอกอค่ะก็คือมือถือต้องปิดไว้ก่อนนะคะปิดหมดทุก อ, อย่างไม่แต่สติใกล้สติกับกับปัญญาสมาธิสามตัวเนี้ย คอยกำหลับความอยากสั่วความอยากหนึ่งยังไม่ต้ยังไม่ไไมไมนั่งทรมานร่างกายถ้ามันเจ็บก็เปลี่ยนอารัยาบทได้นั่งมันเจ็บก็ลุกขึ้นมายืนยืนมันเจ็บ ก, ก็กลับไปนั่งไปเจ้าค่ะโยมจะจะลองดูเจ้าค่ะพระอาจารย์คะมีคําถามเจ้าค่ะอะ่คือจะรบกวนถามพระอาจารย์ว่าคือโยมจะทําบุญอุทิศให้บรรพบุพรุษเจ้าค่ะโยมก็ คิดถึงว่าเออน้องเนเนยเขาเป็นน้องเนมาจากอีสานนะคะเยอะยมก็เลยจะทําบุญเป็นพวกส้มตําส้มตํำข้าวเหนียวอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารอีสานแต่ว่าอย่างคุณอาหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะ่ะเขาก็บอกว่าคุณย่าไม่กินเผ็ดคุณปู่ไม่กินเผ็ดก็จะให้ทําพวกอาหารที่คุณยา่าคุณปู่ชอบยมก็อุ้จริงๆเราลืมลืมเลยลืมคิดว่า ว่าบรรพบุรุษคุณย่าคุณปู่ชอบทานอะไรแล้วว่ามีขนมโบราณย ม, ยมก็หาไม่ได้อะค่ะพมาจารย์ยมคิดว่าเอ่ยอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งยมก็ไม่ได้นึกถึงว่าคนคนที่เสียไปชอบทานอะไรนะยมจะคิดว่าเอออาหารอะไรซ้ำๆเนี่ยยมก็ไม่ค่อยอยากถวายหรือว่าเออพระอันนี้มาจากอีสานเขาชอบส้มตำก็ก็ถวายส้มตามําคืออย่างเงี้ยเราจะควรจะถวายที่ที่ที่คนแบบ บรรเทาบุตเราชอบหรือว่าเราที่พาชอบนะคะพระอาจารย์ใครเป็นคนกินอ่ะใครเป็นคนกินอ่ะพระอ่ะ<า>นั่นเลยก็พระชอบอะไรก็ถวายนั้นไปได้คนกินคนตายก็กินไม่ได้คนตายกินบุญค่ะ<า>บุญก็คืออิ่มใจสุขใจ ท, ที่เราที่เราทําแล้วเราเกิดความอิ่มใจสุขใจแล้วเราแบ่งความอิ่มใจสุขใจนี้ไปให้คนตายใจก็จะได้อิ่มเหมือนเรานยค่ะ งั้นเวลาทําบุญต้องดูคนที่เราทําไม่ใช่ไปดูที่คนตายเนี่ยบางคนซื้อเสื้อผ้าให้ลูกตายไปซื้อเสื้อผ้ามาถวายผ้าเนี่ยผ้ า, าไปใช้ได้เลยนะเสื้อผ้าแต่เขาหัวกลัวลูกไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาเลยซื้อเสื้อผ้ามาทําบุญคิดว่าจะส่งไปให้ให้กับลูกได้มันส่งไปไม่ได้หรอกเสื้อผ้าส่งไปได้อย่างเดียวคือบุญนั่นพระเจ้าค่ะ เมือนเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามีเงินไทยส่งไปเขาใช้ได้ปะเขาใช้ไม่ได้เราก็ลองแปลงแปลงเงินเป็นเงินญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วค่ะเขาอยู่ในโลกที่สิ่งเงินที่ก็ใช้ในโลกที่ก็คือบุญเนี่ยแล้วค่ะบุญที่เกิดจากการทาทานดังนั้นไม่ว่าเราเราจะทําทานทน่ดไหนจะซื้อของทนิไหนถวายใครให้ใครมันก็มันก็ มันก็เป็นบุญเหมือนกันน่ะทำให้เราอิ่มใจสุดใจเจ้าค่ะแต่แล้วต้องคํำนึงถึงคนที่เราถวายว่าเขาเขากินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราไปซื้อของที่เขากินไม่ได้เขาก็เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทําบุญของเราเจ้าค่ะงั้นเวลาอุทิศเราก็อุทิศผลบุญนี้ไปให้ใช่แตเวลาถวายของก็ดูว่าคนที่รับขเขาควรจง อะไรที่เหมาะสมกับการพูดอย่างนั้นดีกว่าอยวาไปว่าเขาชอบอะไรที่ว่าใช่ไหมก็ต้องมีข้าวมีกับอะไรเนี้ยนี่ยังเรือกกับข้าวแบบไหนก็ได้แต่คนที่ต้องกินข้าวกินกับกันใช่ไหมเลี้ยขาพระอาจารย์คะรบกวนอีกคาถามหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์พูดถึงเรื่องอ่าการหยุดความอยากคะ่ะยงยงเข้าใจว่าเอ่อเป็นเป็นความอยากในระดับของอ่า การมามตัณหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ยมยมอ่านธรรมะมีพระอาจารย์เปลี่ยนพูดถึงพบของเทวดาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเราทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมันก็บนสวรรค์มันก็จะแบบปรากฏอย่างเช่นถวายนะ้ำกุฏิศาลาดอกไม้ต่างๆพระอาจารย์ก็พระอาจารย์เปลี่ยนท่านก็บอกว่าเออก็อยากให้ขึ้นไปเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่ามันก็จะมีบางคน ที่เขาทําบุญเพราะว่าวังเนี่ยจะไปได้ของที่วิเศษที่ปาณีมันเป็นเภวะตันหาภาวะตันหามันก็ดีเป็นตันหาที่ดีท่านก็พูดแต่ว่าแต่ว่าพอหมดบุญแล้วมันก็ต้องกลับมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ที่นิยมจะถามว่าอย่างมนุษย์เนี่ยก็มีภวะตันหาด้วยใช่ไหมคะก็คือที่เราอยากจะไปเป็นพวกเทวดาคือความอยากมีอยากเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ ก็ถูกอ่ะก็อยากเป็นนุ่นเป็นนี่มันอย่างนีเป็นเทวฐานเห็นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากมันมันไม่เป็นมันไม่มันไม่มันไม่เป็นทําให้เราทุกข์มันเป็นสิ่งที่ดีกับเราที่อยากจะไปนิพพานอย่างนี้อย่างอยากจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมันก็เป็นภวะตัณหาเหมือนกันเป็นภวะตัณหาอืแต่ถ้าอยากจะเป็นนายกเนี่ยไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงอ๋อ เวลามับบานเวลาามันจบมันจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเป็นพระหรบุคคลนี้มันมันมันยดมาแล้วมันไม่มันไม่สูญหายไปเป็นธรรดาแล้วมันก็จะเป็นสุณาไปเรื่อยๆอือเจ้าค่ะแล้วส่วนวิภวะปัญหาการไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์รูกบุญไม่อยากเป็นเงี้ยไม่อยากยากจนเงไม่อยากให้คนโทษด่าเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากได้ เจอของทุกอย่ากลาบากต่างๆนี่คือวิภาวะตันหาคือไม่อยากจะเจอของที่เราไม่ชอบง่ายๆอ๋อเจ้าค่ะส่วนภาวะตันหานืออยากจะเจอของที่เราชอบอ๋อเจ้าค่ะคราวนั้นสรปง่ายๆแต่เราต้องพยายามหยุดความอยากทั้งสามตัวนี้เลยใช่ไหมคะว่าทั้งกามตันห า, นหาภาวะตันหาวิภวะตันหาทั้งหมดหรู้ไหมคะแล้วแต่ว่ามันเกิดแล้วมันทำให้เราทุกม์หรือ เราไม่ได้ทํามันออกชุกก็ไม่ต้องไม่ต้องละก็ได้แต่ถ้ามันทํามันออกชุกเรากก ต, ต้องละมันใช่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดนี่เราจะเกิดวิภาวะตัณหาอยากจะให้มันหายะค่ะแล้วพอถ้ามันไม่หายมันก็ทําให้เราเครียดขึ้นไปชั้นหนึ่งเพรานั้นเราก็ต้องก็ต้องหยุดวิภาวะตัณหาก็ต้องนยอมให้มันเจ็บไปจนกว่มันจะหายหเองเจ้าค่ะ หรือไปอยู่ในที่ที่เจ อ, เจอแต่คนไม่ดีคนนั้นดา่าเราคนที่ว่าเราเราไม่อยากให้เขาว่าเราเนี่ยมันก็เครียดขึ้นมาะถ้าเราต้องอยู่ให้อยู่กับเขาเขาจะดา่าเราก็ต้องยอมให้เขาด่าไปล้วก็จะด้ไม่เครียดเรื่องร่ามีภวะตา่างๆมาไม่อยากให้เขาด่าเราเจ้าค่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วคะ่ะพระอาจารย์กับขอพระคุณเจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะโอเคสาธุแม่ท้องหมิน่น เจริญกับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะไม่ยินจ้าอยู่ไกลก็ยังได้ยินเลยเนี่ยอยู่นครปฐมค่ะพระอาจารย์ก็ใช้โทรศัพท์เลยค่ะใช้คลื่นเลยค่ะพระอาจารย์นะคะพอเมื่อวานนะคะมีบุตรทดสอบหนูค่ะเพราะว่าท้องเสียตั้งแต่ปีสามเป็นสิบกว่าครั้งค่ะหนูก็เลยว่าโอเค เป็นบททดสอบค่เมื่อวานก็เลยลางงานแล้วก็ดูสภาวะใจกับร่างกายค่ะพระอาจาร์เมื่อวานก็เลยทานชาโคลกับสปอนเซอร์หนูก็ดูว่าะจะปวดท้องไหมจะเพียมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจาร์ mm hmm. แต่ว่ามันแค่คุมการขับถ่ายไม่ได้เวลาเข้าห้องน้ำเมียค่ะ mm hmm. หนูก็เลยปวดท้องมันก็ไม่ได้ปวดเมื่อวานนะคะพระอาจาร์ ท้องไม่ปวดนะคะแต่ว่าเพียงจะเข้าห้องน้ําหลายรอบแค่นั้นนะคะเที่ยวก็ไม่เที่ยนะคะเมื่อวานหนูก็เลยว่าโอเคเหมือนเป็นบททดสอบพิสูจน์ใจอะคะ่ะพระอาจารย์เมื่อวานพี่หนูนั่นแหละเราต้องทําใจเฉยๆอย่าไปเกิดวิภวตนะขึ้นมาจงหายอย่าไปอยากให้มันไม่เกิด อ, อ, อย่าไม่อย่าอย่าไปอยากให้เหตุการณ์เหล่นี้ไม่เกิดอยากให้มันหายไปนี่ก็เรียกว่า <ขอ S 2> วิภวตนะ อืมค่ะอาจารย์หนูก็เลยเมื่อวานก็เลยก็ถือว่าซื้อหาย า, เ, าเซเว่นมาทานอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ฟื้นอูแล้วก็กลับมาปกติอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะพอาจารย์สภาพร่างกายอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็มไม่ <ขอ S 2> ดได้กลัวคดู๋ยวมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมอนัตตาเราควบคุมบังครัมันไม่ได้ <ข>ไม่มีใครอยากเจ็บคข้เล่นป่วยแต่มันก็เกิดขึ้นได้เวลาเกิดขึ้นก็ต้องทำใจให้ได้ยอมรับมันให้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์พระจารย์หนูก็เลยได้บททดสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลามีปัญหาหนูชอบแบบเพียแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พอมาเอามาเหมือนฝึกด้วยอะค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติมาแล้วก็ พอมาเจอสถานการณ์ก็ถือว่าเป็นบททดสอบอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ได้ประเมินไปเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ร่งางกายเพียได้แต่ใจเราอยาไปเพียแล้วแต่ใจเราต้องเข้มแข็งเจ้าค่ะพระอาจารย์ครูค่ะโอเคอนี่คนเอกเขียนลายถายไปหลายที่หนึ่งตอนนี้คนเอกการารั<อ>รกษากรพระอาจารย์ครับอืก็กระผมก็ไม่ได<อ>้เขา้า เข้าซูมแต่ก็ฟังข้างนอกครับอาจารย์ครับรรวันนี้วันนี้เข้ามากาบพระอาจารย์ครับมาร่วมรับฟังครับยังปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับโอเคไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งครับอาจารย์ีน้ไม่ทิ้งเด็ดขาด น, นะกาจารยไม่ทิ้งเด็ดขาผมไม่ทิ้งเด็ดขาดมันไม่มีชาติไหนที่จะวิเศษกว่าชาตินี้เหมือนพระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ะครับจนกว่า ง, งานจะเสร็จนะถ้า ง, งานเสร็จก็ทิ้งได้ครับผมครับผมตั้งใจปฏิบัติรครับอาจารย์ครับ โอเคสาธุแล้วผมสาธุค้าพอาจารย์ไปที่เท็กซัสคนสมังไงยังอยู่ที่วาอเมงเขาเปล่ากลับมัสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะลูกกลับมาเท็กซัสแล้วเจ้าค่ะเรียบร้อยทําหน้าที่ของลูกสะพายเจ้าค่ะก็มีความสุขที่ได้ดูแลคุณแม่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาก็ขอบคุณลูกมาว่าลูกก็เขาก็ขอบคุณลูกเจ้าค่ะ ธรรมสะสอนให้เรารักพ่อแม่เข้ามารักพ่อแม่เราเจ้าค่ะมากเลยเจ้าค่ะได้เห็นอย่างหลายๆอย่างเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคำถามเจ้าค่ะคือลูกมีคำถามว่าเมื่อเมื่อวิบากกรรมมาถึงคือสิ่งที่ลูกทำไว้ก่อนที่ลูกจะได้มาศึกษาทางธรรมทางเนี้ยเจ้าค่ะลูกก็ใช้ชีวิตทางโลกเหมือนทุกคนแล้วสิ่งที่ลูกได้เคยทำไว้เนี่ย มันได้มาถึงที่ลูกจะต้องชดใช้ที่นี้ลูกอยากจะถามว่าลูกควรจะทำยังไงซึ่งถ้าลูกอาจจะต้องกลับไปไปใช้ชีวิตคือทางโลกมากกว่าที่เคยปฏิบัติอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะต้องยนขึ้นอยู่ด้วยว่าเราหด็ดเลี่ยงได้หรือ่าเจ้าค่ะ ใอยู่ที่เราเราเลือกได้ไหมป่ะถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ต้องไปถ้าเราเลือกได้ก็ไม่ต้องไปถ้าเราเลือกระหว่างทางธรรมกับรองทางโลกเนี้ยถ้าเราเลือกทางธรรมได้แล้วก็ไปทางธรรมไม่ดีกว่านะเจ้าค่ะลูกลูกก็ลูกอาจจะต้องเอ่อต้องกลับไยสักระยะหนึ่งเพื่อเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เคย จะทำไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าตรงนั้นเสร็จสุนติดสุดหรือมีทางออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ลูกก็คงจะได้มีเวลากลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. ก็แต่ว่าเครื่องมือที่พระอาจารย์สอนหรืออะไรก็ตามลูกก็จะใช้ในการปฏิบัติประจําวันเพียงแต่ว่าอ่าตารางที่ลูกเคยปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่เท็กซัสมันเป็นเวลาปฏิบัติที่ลูกมีเวลามาก ก็อาจจะลดน้อยลงเจ้าคะ่ะจนกว่าจะหาทางออกได้มนแสดงว่าเราเดินถอยหนังทางธรรมแสดงว่าเร า, า, เ, ราเราเดินถอยหนังทางธรรมมัน <จะ S 1> เป็นหนี้ทางโลกอะเจ้าคะ่ะเจลูกก็เลยต้องต้องกลับไปเพื่อไปชาระตรงนี้เจ้าคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จะตัดสินใจเอาเองเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะก็ ก็เดี๋ลูกก็มันมันก็มันก็ถ้าลูกได้พบพระจันทร์ก่อนที่ลูกจะจะได้เติบโตทางโลกมามันเป็นอะไรที่แบบลูกผูรู้ว่ามันวุ่นวายมากเลยเจ้าค่ะมันมันต่างมากเลยเสียดายที่ที่ลูกได้ทำอะไรไว้ตรงนู้นก่อนมันก็เลยกลายทำว่าลูกก็เลยต้องกลับไปชดใช้ภาระ นี่ที่เก่อไว้อะเจ้าค่ะระวังอะไรวะระวังอย่าเป็นข้ออ้างของกิเลสก็แล้วกันเจ้าค่ะลูกจะพยายามพยายามสังเกตดูใจว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อถ้าทํามากไปมันอาจจะเป็นกิเลสลูกจะพยายามที่ว่าทําพอประมาณเพื่อให้สิ้นสุดสิ้นสุดที่เราที่เราทําไว้อ่ะเจ้าค่ะแค่นั้นแล้วเสร็จแล้วลูกก็จะพยายามกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเจ้าค่ะเพื่อจะได้เดินต่อ เจ้าค่ะลูกจะพยายามสังเกตว่ามันคืออะไรแล้วก็จะใช้ปัญญาพิจารณาให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะเาลูกคิดว่าทางนี้มันมันคุ้มครองใจเจ้าค่ะคุ้มครองใจมากๆแล้วก็ด้วยการที่ลูกได้พบพู้อาจารย์ทําให้ลูกมีภูมิคุ้ ม, มกันไม่ไม่ทําให้ใจทุกข์มากกว่าเนี้ยเจ้าค่ะไม่ทําให้ประเทือนใจเจ้าค่ะก็ก็เป็นภูมิคุ้มกันที่ประเสริฐมากเจ้าค่ะก็อยู่กับ อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะพยายามใช้สติค่อยๆประคองไปเจ้าค่ะสติปัญญาเพิ่มของไปให้เสร็จสิ้นกับหนี้ทางโลกที่ได้เคยทอนไว้เจ้าค่ะเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาไม่แต่ทุกข์มีวิบากด้วยมีวิบากใช่ลูกค่ะเกิดมามีแต่ทุกข์ก็มีวิบากมาคือลูกคิดว่าการเดินของลูกทางนี้มัน มันไม่ง่ายอะเจ้าค่ะมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายราจริงๆเ ร, เราสามารถปรับรูปแบบของการปฏิบัติได้ว่าจต่มันจะเป็นยัต้องมีเวลานัา่งสมาธิล้วก็ใช้หลักของสติใช้ใช้สติใช้ปัญญาในในในการปฏิบัติก็ได้คือ ท, ทำอะไรได้มีสติคอยคอยควบคุมใจอย่าให้ใจลอยไปอดีตอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้มีอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทำอยู่ แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาทุกอยากเป็นตายรับไปก็ยังแต่เพียงว่าอาจจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมานั่งเฉยๆให้ใหมันมีอุเบกขาอันนี้อาจจะต้องหาเวลาบ้างมันคงยังมีเวลาให้นั่งสมาธิได้บ้างมันไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งไ่หมดถ้ายังนอนไม่ ไ, มได้ไ มันก็ต้องมีเวลานั่งสมาธิได้แม้อาจจะไม่ได้นั่งมากเท่าที่เท่าที่เราทำอยู่ขณะ น, นี้ท่านีใา้ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะมันใช่เจ้าค่ะลูกมันอาจจะไม่มีเวลาเหมือนตอนนี้แต่ว่าลูกจะพยายามใช้เครื่องมือที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนประคองไปเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกจะมันมันเห็นชัดเจ้าค่ะคือเราเราเดินทางนี้แล้วเราทิ้งไม่ได้เจ้าค่ะถ้าทิ้งปุ๊บสิ่งที่สร้างมามัน มันมันเหมือนกับหมดแล้วมันก็ต้องมาเริ่มสร้างใหม่ลูกจะเดินหามันว่างมันหยุดไปปีกวิเวกมั่งก็ได้ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องทำทาทุกวันไม่ใช่นะรอเจ้าใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็ก็ตอนนี้ก็ก็พี่สาวแล้วก็สามีก็ก็ช่วยก็แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกกระทำขึ้นมาด้วยตัวลูกเองลูกก็เลยคิดว่าลูกก็ต้องรับผิดชอบไปถึงที่สุดแต่เจ้าค่ะ ล้วทำต่อไปรับที่ชอบไปถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางโลกหมดแล้วก็ก็ถือว่าเราเป็นอิสระเจ้าค่ะเป็นอิสระเจ้าค่ะลูกเกลยอมรับผลแห่งกรรมที่ที่เราเคยได้ทำไว้เจ้าค่ะ <c oughs> ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เราก็รับผลแล้วก็มันหนีไม่พ้นก็ไม่อยากหนีเจ้าค่ะไม่อยากเขาไม่อยากอะไรก็คือถ้ามันหมดหมดไปสัชาตินี้เราจะได้ เราจะได้เป็นอ yeah, yeah, ิสระสักทีเจ้าค่ะแล้วก็ได้เดินทางที่ถูกถูกต้องขึ้นเจ้าค่ะแลค่ะแล้วค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกจะน้อบนําของพระอาจารย์ปฏิบัติต่อเนื่องถึงแม้จะเวลาอาจจะน้อยกว่าที่เคยเป็นแต่ลูกก็จะไม่ลืมเจ้าค่ะจะหาทางปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันเจ้าค่ะเป้าหมายของลูกยังเหมือนเดิมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ นายที่คุณซนี่แบงค์เขากล่อนมัสมั่พระอาจารย์ค่ะวันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณมาเรย์พุทธการตามหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติทุกวันหลวงพ่อถ้าทำได้ก็คู่ไปกับทางการทํางานนะ ปัญหาค่ะแล้วก็ช่วงช่วงนี้มันมันจะเข้าสมาธิตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอเมื่อคืนหนูก็พิจารณาให้ร่างกายของเราพอพิจารณาจนเหมือนมันพอแล้วเนี้ยก็จะกลับเวียนเข้าไปอยู่ในสมาธินเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูกลกวว่าจะนั่งสักแป๊บเดียวงี้ค่ะกลายเป็นประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมันก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมมันมันมันยิ่งพอยิ่งปฏิบัติไปอ่ะการเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะความรู้สึกผมเป็นรู้สึกแบบเนี้ยสติแล้วดีขึ้นไงชานานขึ้นอะไรทั้งนั้นอยู่ที่ตัวสติเป็นหลักนติค่ะพ่ปฏิบัติก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อชวงนี้ก็ไม่ไม่ไม่มี สติสมาธิปัญญาสลับกันไปนะค่ะแล้วก็ช่วงทำงานก็จะเปิดธรรมะเปิดหลวงพ่อเปิดคลิปเปิดอะไรเงี้ยฟังไปด้วยนะคะดีโอเคไม่มีใช่ไหมคือนี้ไ ม, นนไม่มีค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากมากค่ะอ่าไปเจ้คุณหมอภาษนะต่อหมออ่าก่อนน้ำมัสการ์ค่ะพระอาจารย์ ก็ยังรู้สึกดีแล้วก็มันยิ่งแบบเบาขึ้นสงบสว่างขึ้นนะคะพระอาจารย์ดีกําลังใจในการปฏิบัติขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่เครียดหมายถึงว่ามันเหมือนง่ายขึ้นอ่ะพระอาจารย์เป็นเหมือนแบบว่ากําลังก็พยายามอย่างที่พระอาจารย์บอกพยายามดูไม่ประมาทอ่ะพระอาจารย์พยายามดูกิเลสตอนนี้มันก็ยังสบายสบายค่ะพระอาจารย์แต่พยายามดูนะคะพระอาจารย์แต่มันไม่เครียดแล้วค่ะมันมันเหมือนกับ นันเหมือนกับมันไม่สมัยก่อนแรกๆมันเหนื่อยมันต้องจ้องจ้องตลอดตอนนี้มันสบายๆค่ะอาจ า, ารย์โอเคดีค่ะขอบพระคุณค่ะพรอาจารย์อือยินดีกลับไปถึงบ้านแล้วเหรอคะถ้าอาจารย์ถึง แ, แล้วค่ะเหนื่อยไหมเพิ่งถึงเลอประมาณนี้ไม่ค่ะสองวันค่ะเรื่องการเดินทางแต่ ขากลับนี่ได้เอขากลับนี่มันไม่มีไฟจากอาฮอลแลนด์มาที่เอร์แลนด้าโดยตรงก็เลยต้องพักที่ฮอลแลนด์หนึ่งคืนนะคะถ้าอาจะ ไ, ได้ไปหนึ่งคืนค่ะถ้าจะเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปด้วยคิดว่าเนวนจะกลับคนเดียววันนีถามน้องชายเว่าไปแล้วนี่กลับไปแล้วกลับค่ะเพรามทุกทีทุกทีหนูจะกลับทีหลังใช่ไหมคะและ้ว แ, แต่คั้งนี้ยคือหนูกลับ เออหนู ก, กลับมาก่อนปกติหนูจะปกตินเนี่ยคือจะกลับมาพร้อมกันแล้วก็หนูกลับกลับล<ะ>ไปก่อนอที่จังอันนี้เรามาก่อนนะต้องกลับพร้อมกันค่ะท่าอาจารย์ค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเลยค่ะค่ะท่าอาจารย์ก็ันนี้ไปทํางานแล้วเลยเดวิดวันนี้ทํางานแล้วเลยครับไปทํางานแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าจะไม่สบายพ อ, อกลับมาถึงก็ไม่สบายแบบ ด้วยความที่ว่าพักผ่อนไม่พอค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเวลามันต่างกันน่ะกลางวันกลางคืนกาลังปรับอยู่อะค่ะแต่ก็อโอเคค่ะก็เข้ามาหมมเตรกมอหมอสมเปรย์เข้ามาค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่า น, าาาา น, นหนูเข้าหนูกับเดวีดเข้ามากับท่านอาจารย์บอลจงเต้เหมือนเดิมอาจโอเคขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์่อาไปที่ลอเอกุนิสา งานมา ส, สักการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะก็สติดีค่ะสติดีแล้วก็ทข้าสมาธิง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์ อ, อยากจะก้าวหน้าต้องหาเวลาเพิ่มสตินะตัวที่จะพาใหเราไปคื อ, อสติค่ะก็คิดว่าจะเริ่มเริ่มแบบนั่งแบบว่าสี่ห้าหมายถึงว่าที่พระอาจารย์อบอกว่าให้อยู่เฉยเฉยอะค่ะลองดู ค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะสักเริ่มจากสี่ชั่วโมงก่อนดีกว่าพราจาหกชั่วโมงรู้สึกว่าจะแบบอยากทําไม่มันมันต้องทําอย่างอื่นนะคะคือต้องแบบต้องทํางานอย่างอื่นงานบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะพราจาแล้วถ้าถ้าแบบถ้าเมื่อยนี่เอนหลังลงไปนิดนึ่มได้ไหมคะพราจาไม่ให้นั่งไปยืนอย่างนี้ขอในั่งเหยียดอ๋อเหรอคะนี่หลังนี่มันจะหลับไม่ใช่ห้ามหลับไม่หลับค่ไม่หลับแต่ว่าบางทีแบบ มันเบื่อหลังค่ะอาจารย์ลองดูก็ได้อลองดูลองอยู่จุดเดียลองอย่าให้มันหลับก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวจะมารายงานแต่กะว่าจะแบบนั่งสมาธิก่อนอ่ะแล้วก็พอหลังจากนั่งสมาธิก็ให้แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่นับไม่ไม่จะไม่นับเวลาก็นั่งไปเรื่อยๆจนกว่าแบบคิดว่าผมไม่ได้สามารถนั่งหกชั่วโมงได้ก็นั่งไว้สักสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวต่อเลยค่ะะอาจารย์เดี๋ยวจะลองมารายงาน น่าจะทำให้แบบ ส, สติดีขึ้นนะคะเราต้องเราต้องใช้สติคุมความอยาก ค, มคาม า, าจงคือลูกรูกตอนนี้ลูกมีปัญหาคือคือเข้าสมาธิได้นิ่งสงบจริงแต่ว่าเหมือนจะจะทรงอยู่ได้ไม่นานมันเหมือนอ ม, มันต้องเข้าออกเข้าออ ก, ออกบ่อยๆในระยะเวลาที่นั่งแบบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงคือมันไม่ได้ยาวอะไรเงี้ยค่ะคงเกิดจากสติไม่ดีคือยังไม่พอคะ่ะ ถ้าแบบถ้าทําแบบนี้จะช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ก็จะทําให้ต้องมือถือนี้ต้องเก็บไปเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับทางภายนอกเลยใช่ปิดเครื่องไปเลยปิดเครื่องไปเลยแต่รู้สึค่ะตั้งแต่ไม่ไม่ดูไม่ฟังอะไรไม่เอาอะไรเลยใช้สติใช้ปัญญาสมาธิสามตัวเนี้ยค่ะฟังเทศก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะ ฟังในใจเราเทศสอนใจเราเองค่ะหลับตาได้ใช่ไหมคะหลับตาได้เดินตาได้แต่ห้ามหลับแต่ห้ามหลับอนั่งได้ยืนได้ค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะไม่ให้ทำอะไรไม่ทํานอกจากไปเข้าห้องน้าได้อยู่ถ้าจาเป็นต้องเข้าห้นะำแต่ถ้าเหื่อถ้าหิวน้ำก็เอาน้ำขวดน้ำมาตั้งไว้ใกล้ๆจะได้ไม่ต้องอ๋อไม่ให้เดินไปเดี๋ยวจะเดินไปบ่อยใช่ไหมไม่ให้เดินไปเดินมาค่ะอาจารย์ เดี๋ยวจะลองดูค่ะพระอาจารย์แล้วจะมาแรงงานค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะถ้าไม่ไปห้องน้ำได้อย่างดีเอากระโถอนออกไม่เคยชอบกระชากเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำบ่อยเลยเดี๋ยวน้ำจะเข้าห้องน้ำบ่อยโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุใช่คุณหมอส».ชติชนีเป็นยังไง น้ำตกนั่นพระจันเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะลูกสบายดีเจ้าค่ะโอเคปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติเจ้าค่ะมีกําลังใจเจ้าค่ะเดชูไม่ถอยนะซูไม่ถอยเจ้าค่ะขอบคุณค่ะไปได้คุณปีเปียมากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมน้ำตกาันท์สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ่านชื่อถูกไหมเปียมา อย่ามาถูกค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> พระ อ, อาจารย์ค่ะขอขอโทษค่ะมีคำถามนิดนึงค่ะคือที่เมื่อกี้คุณนิสาท่านท่านพูดว่าที่พระ อ, อาจารย์อธิบายว่าไม่ควรนั่งสมาธิแล้วฟังธรรมฟังเทศด้วยเพราะอะไรหรอคะอาจารย์พระ อ, อาจารย์ว่ามันจะขัดกันไงคือท่านเราจะฟังเทศก็ได้แต่ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องดูลงเอาเสียงธรรมเป็นตัวอานุ์แทน อย่ใช้สองอยา่างปดชนกันฟังฟังไปด้วยแล้วดูลงไปด้วยที่มันจะมันจะขัดกันเอาอย่างนด้ค่ะเข้าใจค่ ะ, เ, คะเพราะว่าค่ะเพราะว่าหนูชอบนั่งสมาธิคือเวลาหนูนั่งสมาธิหนูจะรู้สเต็ปของหนูว่าเป็นยังไงยังไงอะไรเนี้ยค่ะแต่ถ้าหนูนั่งสมาธิแล้วฟังเทศไปด้วยอะ่ะเหมือนเราเอาอารมณ์ไปไว้กับเสียงธรรมอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้นาน เราไม่ต้องเร้อไม่ต้องสร้างอารมณ์ขึ้นมารองเสียงธรรมเป็นอารมณ์มง่ายมง่ายกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนที่หนูฟังเทศของพระอาจารย์พระอาจารย์จะไม่แนะนําให้ฟังแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ให้ฟังตอนที่เรานั่งเพราะว่าประสบการณ์ตัวเองก็ถือว่ามันดีดีคีเพราะเดี๋ยวต้องใช้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนอย่าใช้พุทธเจ้าเสียงเสียงธรรมะก็เสียงเราค่ะ แต่อย่าใช่ฟังทำไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธแข่งกันนี้มันไม่ไม่ได้บองคนเขาไม่ไมเข้าใจเพราะเอาทุกง่อง่ยาบเขาคยพุโทโธพุโทโธด้วยฟังทำไปได้มันมันก็เลยไปยังอนกันทํำซ้ำงานถองหยามันก็เลยทําให้ใจวิ่งไปวิ่งมาระหว่างพุโทโธกับฟังทำมันก็ไม่เป็นหนึ่ง ดงนั้น <Okay. S 2> หนูขอถามอีกอีกอีกเรื่องได้ไหมคะคือการที่หนูนั่งสมาธิก็ได้คือการที่หนูนั่งสมาธิมันจะมีสเต็ปหนูจะรู้เลยว่าเออผ่านอันนี้อันนี้คือนนอันนี้เป็นอันนี้แล้วมันจะมีที่ว่าพอนั่งปุ๊บก็คือถ้าถ้านั่งปุ๊บไม่มีปัญหาคือมันจะอยู่ในโล่งว่างไม่มีอะไรแต่พอนั่งไปสักพักเหมือนสติเราไม่เขาเรียก อ, อะไรครับอาจารย์คือไม่พอที่จะคุมอยู่มันจะหลงไปกับความคิดเหมือน ลักษณะคือเหมือนหนูนั่งเงี้ยหนูนั่งอยู่ในห้องว่างๆห้องมืดๆมดองหนูแล้วความคิดมันเหมือนเราตามไปทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยพอมีสติปุ๊บอ๋อเราขาดบริกรรมพุโทโธพอเราขาดพุทไอ้นั่นมันเอ่อความคิดมันเล่าเออมันเข้ามาหาเราเราตามไปนิดนึงพอสติมาเราก็กลับไปพุโทโธอย่างเงี้ยค่ะคือมันมั น, มนมพุโทโธพุโทโธก็ได้เมือสติขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันไหมคะเพราะว่า เมัอนอมีชวนชีวิต<อ>ประจำวันบางทีเราต้องคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เนะมื่วันก็คิดมากมันก็ทําให้สมองยากกว่าเมื่วันคิดตรื่องเรื่องไม่เชรียดมันก็สมองง่ายกว่าแล้วต้องยอมรับจริงๆค่ะพระอาจารย์ว่าหนูมีความคิดที่ไม่ค่อยดีหนูมีความคิดชอบตอําหนิติเตียนคนอื่นก็ต้องคอยคอยยืนบั น, นยงคอเวลารู้ทันก็บอกว่าอย่าทําอย่างนี้ไม่ดี ถ้อยากจะดำเนตรดำเนตตัวเราดีกว่าเอาวิเศษแล้วเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงหนูต้องคอยดึงสติว่าอคนที่ได้ตั้งมีตัวมันตอดตัวก็คอยสอนตัวไม่ดีไม่ดีทางนี้ไม่ดีมันสอนเด็กสอนเด็กมันทํำนี้ไม่ดีไม่ดีต่อไปมันก็มันก็อยากคอยห้ามจิตใจมันเองก็พยายามอยู่อันนี้ต้องยอมต้องขอโทษพระอาจารย์ก่อนนะคะว่า หนูจะใช้วิธีของวิธีของพระอาจารย์ปามโมตคือตามตามความคิดเพราะยอมรับจริงว่าเป็นคนที่มีความคิดเยอะมากอืไม่รู้คิดอะไรคิดได้ทั้งวันพระอาจารย์อืมแต่ถ้ า, า, าถ้าตัมคตามคิดทำไมได้นะก็ไม่ได้ได้ช่วงแรกช่วงตื่นเช้าเพราะมันกลคือนอนเต็มที่แล้วค่ะพระอาจาราาย์พอใช้บ่บ่ายเนี้ยเรื่องมันเยอะก็บ่ายบาย่ก็เหมือนแบบเราสู้ไม่ไหวบางทีเราก็จะเผลอไปกับความคิดของเราครับอาจารย์ นให้ตามความคิดใช่ไหตามยังไงเราไม่เข้าใจอ๋อค่ะคือแค่พอเราคิดปุ๊บให้รู้ตัวว่าคิดแต่ไม่ให้ไปตามไม่ให้ไปเขาเรียกอะไรนะครับอาจารย์ไม่ให้ไปเสริมกับความคิดเราค่ะไม่อยู่เช่นอะไรให้ให้มีสติรู้ว่าอ๋อคิดอยู่แค่นั้นจบค่ะทีแล้วมันหยุดคิดไหมล่ะไม่ไม่หยุดครัอาจารย์ไม่หยุดครับมันมันต้องหยุดเใจท่านดูมันเพิ่มต้องให้เป้าหมายคือต้องการหยุดความคิดใช่ไหม อาจารย์วันหยุดแค่เรื่องนี้เดี๋ยวมันไปเอาเรื่องอื่นมานั่มันถึงใช้ไม่ได้ไงตอนมันดูขับคิดไม่ได้ต้องใช้พุโทโธก็ใช้นมแทนมีนอยู <ปะ S 1> พุทโธพุโทโธแล้วอาการ32ไปก็ได้ใหญ่ก็คิดก็คิดอะอาการ32ไปก็ได้ผมขนนะฟันหนังเนี้อเองมันก็จะได้ไปไปชิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ออาจารย์เข้าใจค่ะอ แต่ถ้าเรามีสติแล้วดูจิตเราหยุดดูมันแล้วหยุดคิดได้แก็โอเคแล้วมันหยุดไม่ได้แสดงว่าสติเราไม่มีดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วจิตก็ไม่มีวันที่สงบได้ท่านดูแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์หนูหนูเคยนะคะตอนที่มีช่วงหนึ่งที่ฝึกนั่งสมาธิเยอะๆเนี่ยคือความคิดมันไม่ได้หยุดไปแต่แค่มันอยู่นอกๆออกอาจารย์มัน ผูดพูดโทรไม่ได้หรอถ้าพูดโธพูดโธรเนี่ยความคิดหายไปหมดเลยนี่ได้สิ่งเพราะว่านี้อเดาจาเรย์ครูบาอาจารย์รท่านก็สอนอย่นี้ใช่ไ่ะนั้นเดี๋ยวจะพูดโธอย่างเดียวเออลองดูสินะถ้ า, ถ, าถ้ามันไม่หยุดเอาพูดพูโทรแบบปืนกลเลยใช่ไหมคออรับดูไปเลยดูไปเลยดูไปเรื่ยอยๆสระกันบงเร็วบ้างช้าบ้างก็ได้ถ้าเหนื่อยแล้วก็ช้าหน่อยนะ อย่าทิ้งพุโทโธนนะั้นอย่างพอเราหยุดพุทธโทเดี๋ยวความคิดมันจะเข้ามาแทนที่ทันที่จริงๆค่ะพระอาจารย์ถ้าเราปล่อยพุ๊มันหรือว่าแช่เข้ามาได้เลยค่ะพระอาจารย์อพอถ้าปล่อยนานๆแล้วมันเหมือนแบบคนแบบเขาเรียกอะไรนะคะพระอาจารย์แบบคนเหมือลอยอะ่ะลอยไปตามความคิดคิดไปตามนั่นหนึอืมเราเหนื่ยพุโทโธเราจะมาดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ก็ได้ก้มาดูงานที่เรากำลังทําอยู่ก็ได้อืมค่ะ คคถ้านั่งเฉยๆก็ดูลงหายใจแทนก็นได้ถ้าบุงทีพุโทโธมันเหนื่อยได้ค่ะได้ค่ะจะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะโอเคอขอบพระคุณค่ะนรักษการพระอาจารย์ค่ะวันนี้คุณธวิศาิมาเข้ามาพอดีรู้จากกันแค่มาอยู่ยท้ายๆแล้วมั้งเขาพระอาจารย์นี่อยู่ข้างๆนี่หน้าจอเราอยู่เขาเขาจ้างเหรออ่าเชิญคุณธวิศาตอนเลย ทุกค่ะพ่อจอค่าากะกลาวนมัดการค่ะเป็นยังไรตอนนี้ค่ะก็พยายามเอ่อเป็นนักลบสู้กิเลสอยู่ค่ะพ่อจานไม่ใชนะ่นักหนนะไม่ใช่นักหลบต้องนังนกหบห ล, ลบบ้างหลบบ้า ง, งน้อตานพ่อพูด เราพูดเราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักลบไม่ใช่ น, นักหลบนเขาฟังเทศกั น, ก, นก่อนหน้านะครั บ, บราาว่วาอาจารย์นะคะก็หลพอได้ได้ได้ฟังเลยว่าเออนักลบลบให้เป็นนักลบแต่ลบกิเลนนะ่อันนี้มีหลบบ้างด้วยอนะก็พอดีฟังแยกที่ทำวันนี้มารู้สึกว่าตอนนี้จะมี challenge อ่า นั <N un> ่งเฉยๆไม่ลุกไม่เดินยมก็จะเอาด้วยนะคะว่ะอาจารย์ยัง <y' n S 1> <อ>ไม่เคยลองเลยค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้กิเลสมาเยอะเลยเอาวันนี้จะเริ่มเลยค่ะว่าอาจารย์ยิ่งเรามีเวลาอยู่มากๆใช้ประโยชน์ค่ะค่ะตอนนี้จะเพราะว่ามันเพ่นพ่านเยอะมันดึงเยอะแตเนี้โอเคเลยเดี๋ยวจะจะทำชาเลนจ์นี้เพราะว่าจะไปถึงไหนจะได้กี่ชั่วโมง เราต้องกําหนดเลยไหมคะว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือว่าไปเรื่อยๆดีคะก็แล้วแต่เราบางคนกําหนดไม่ได้มันคนไม่ต้องกําหนดก็แล้วแต่อ่าค่ะค่ะแต่น่าจะกําหนดไม่มั่งก็ดีไม่งั้นเดียวบางทีคืนเยาวงเลยกอาจจะเลิกก็ได้ค่ะค่ะค่ะยังก็จะจะทําทําทําตรงนี้ค่ะจะได้เป็นอชันดิ้นได้กลุ่มเลยว่าครั้งนี้เราจะทําแบบนี้ ให้นางสติแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอ่านุมารายงานผลค่ะพระอาจารย์ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสามตัวนี้สู้กับมันถ้ะอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะมีแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีคุดอคุณคุณแดนแดนกลับมาสัการค่ะพระอาจารย์ลุยคำถามเจ้าค่ะโอเคดี ยังไปที่ภูเก็ตอ่ะคุณคุณโอ้ภูเก็ตน้องกลับน้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้วันรายงานผลเจ้าค่ะไปซ่อมมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปซ่อมมาเจ้าค่ะจากที่ลุกไปดูผ้าพวันเสาเจ้าค่ะก็นั่งนิ่งๆไม่ทานข้าวอะไรเดียเจ้าค่ะพระอาจารย์ เพิ่มปิดวิดิโอตั้แต่ตอนกลางคืนวันศุกร์ก็ค่ะอาจารย์แล้วก็เช้าวันเสาร์ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณหกโมงครึ่งใช่ค่ะอาจารย์ช่วงเช้ามันจะมีความง่วงเข้ามารบกวนใช่ค่ะอาจารย์แต่พอหลังงเที่ยงไปแล้วเนี่ยลูกอจะยุกยิกยิกเพ้าว่าปกติอยากติดมาตอนเช้าเนี่ยลูกจะต้องเข้าไปอ่านทําว่าจากถ้อาจารย์ในเฟซบุ๊กใช่ไหมเจ้าคะไปก็จะเห็นความยุกยิกยิกเพราเราอยากอ่านแต่แล้วก็อ่านไม่ได้เพราะปิดวิถืโอก็ตั้งจ่าไว้ด้วยอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็ เจ้าค่ะไม่ไม่เปิดมือถือเลยเจ้าค่ะอาจารย์ก็เ อ, อเอาเลยที่สติเมื่อยมาชนะความอยากได้มันก็สบายใจนะอาจารย์สิบชั่วโมงเจ้าค่ ะ, ะดีได้เป็นสิบชั่วโมงมืเปิดมือถือเอาตอนบ่ายสี่โมงกว่าแต่ว่าช่วงช่วงบ่ายสองโงช่วงที่ท่านอาจารย์เทศพอดีใช่ไหมคะตรงกับวันเสาร์ลูกก็แบบอ <ะ S 2> โอ<ห>้พอาจารย์เทศแล้วยิ่งยิ่งยงยิม่ย ม, ย ม, ย ม, มจิตไปรบกวนนะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นเวลาที่แบบว่าปกติต้องฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ ใช่ป่ไปแบบเมื่อไรเราอธิษฐานไว้ละว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาเปิดฟังก็นั่งได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างแต่ไม่ไม่ทะเลเท่าไหร่เจ้าค่ะรอบนี้มันจะมีอาการง่วงช่วงเช้าแต่หมอนมันจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มีเอาน่าผักไปแบบอยู่บนหมอนสักแป๊บนึงแต่ยังไม่หลับก็ต่อสู้กับความง่วงเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่อยยจะฟุ้งซ่านแต่ก็พยายามว่าจริงๆหลักๆคือ เราไม่ไม่ไปใช้ร่างกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยโดยปกติวันๆหนึ่งเราต้องใช้ร่างกายทำนู่นทำนี่ตลอดละะอะไรอย่างนี้ก็ค่ะอันนี้คือเราต้องการให้ร่างกายนิ่งๆไม่ต้องไปทําอะไรเดแล้วเราต้องการไม่ให้ความอยากมันมาใช้ร่างกายเนเครื่งมือนะคะเพราะว่างวดเลยตาก็ไปอ่านไม่ได้หูก็ฟังดังไม่ได้ปากก็ไปกินอน่ากินแต่หนาเปล่านั่งปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ะคะ่ะ พระอาารแต่วันจะมีอย่างอย่างนี้ลูกจะนั่งอยู่มุมนี้เจ้าค่ะก็คือบางทีจะหันด้าไปทางซ้ายว่าก็คือนั่งหันไปทางซ้ายหรืขวาบ้างได้รอบพิลยเจ้าค่ะอาจารย์บางทียืนได้นั่งแล้วหมก็ยได้แต่แม่จะคบสี่ทิศเลยเจ้าค่ะจะคบสีทิศเลยเจ้าค่ะพระาายแต่ถ้าแคนเคลื่อนไหวน้อยเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะแต่เดี๋ยวต้องต้องลองเอาใหม่อีกทีค่ะลองที่แบบว่า ให้ร่างกายมันขยับน้อยที่สุดใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์เพราะจะยกเว้นว่าห้องน้ำจาเป็นไม่เมื่อยอย่าให้มันขยับด้วยความอยากแต่ลืมเรื่องการความหิวไปเลยนะเจ้าคะอาจารย์พ่อลูกต้องงด่อนอาหารเพื่ไม่ทานไปเลยเจ้าค่ะมันจะไม่มีเรื่องนี้ว่ารบกวนเพราะเราจะดูแต่ว่าไอความอยากของเราที่ปิดมือถือปิดมือถือปิดมือถือทั้งวันตั้งแต่ตอนกลาคืนวันศุกร์ถึงแบบเปิดเอาเช้าวันอาทิตย์เจ้าค่ะอาจารย์ ประท้วเข้าไปอาดับว่าก่อนเลยก็ทําไปเรื่อยๆชั่วโมงเจ้าค่ะอาจารย์นะคะต้องคือต้องเพิ่มความให้นิ่งมากกว่านี้ขยับให้น้อยคนนี้มากาที่สุดใ ห, ให้มานั่งสมาธิบ้างเนี่ยใช่ค่ะคื อ, อต้องเน้นเรื่องการเจริญสติด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์สติสมาธินิปัญญาสามตัวเนี้ยสลับกันทําำไนแล้วก็ทําไป เพราะว่ามันฟุ้งซ่านมากลูกก็เลยว่าเออฟุ้งซ่านให้ฟุ้งซ่านไปทางปัญญาล้กันเนี่ยจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอยู่กับคำบริกรรมไม่ได้เลยอย่างนี้จะมัดูการใช้สิ่งของไปก็ได้จ้าค่ะเดีต้องเอาใหม่อีกทีเจ้าค่ะต้องให้นิ่งยิ่งสุดเจ้าค่ะก็วันรายงานผลแล้วก็พอาจารย์รู้สึกดีไหมรู้สึกนีไหมมันอยากทำเสร็จนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเหมือนลูกมานั่งฟังธรรมท่านพระอาจารย์ไปดีเจ้าค่ะจากการที่ฝึกตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับนิ่งมากขึ้นนะจ้าค่ะ แค่ว่าเวลาเจอความเจ็บเหมือนจะขยับน้อยลงเวลานั่งเจ้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราฝึกตรงนั้นที่ไม่ให้ร่างกายขยับใช่ไหมคะคุอาจารย์แล้วพอเวลามาเจอเวทนาเนี่ยมันจะทำให้เราขยับน้อยลงมรม้สึกว่ารูา้สึกจะค่ะเห <riff> มือนแต่พอพอวันพอดีว่าวันวันอาทิตย์เนี่ปปลยลูกก็ยังมาติดทํางานเช่ไหมคะคุณอาจารย์แต่มาวันนี้อะค่ะรู้สึกว่ายอมรับว่าเช้าวันนี้พออ่านทําว่าจากท่านพรอาจารย์เจ้าค่ะ มันเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำเลยเจ้าค่ะอาจารย์พอพอเรานึกถึงว่าการปฏิบัติของเรามันไม่ไฟก้าวหน้าแล้วมันมีความรู้สึกท้อพอไปอ่านธรรมะแล้วมันเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำว้เจ้าค่ะเอาไปจะท้อจะท้อมันก็กลับมาแล้วพอได้ไปเจอไประโยคเด็กผ้าจานว่าธรรมะคือแพ้กี่ครั้งก็ไม่สาคัญของให้ชนะแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันเป็นการชนะแค่ครั้งเดียวแต่ว่าชนะตลอดไปอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ไปรู้เข้าไปอ่านแล้วมันมีกําลังใจมากเจ้าค่ะทางธรรมขอแค่ชนะแค่ครั้งเดียวแต่คือเป็นการชนะที่แบบ ตลอดนะใช่ เ, ชเมื่อเราชนะมันได้แล้วก็คุมมันได้นะจะค่ะก็มีกำลังใจเจ้าค่ะพระอาจารย์่พ้กินจจพ้งเข้าไปเป็นไอย่าถอยอย่างลตาบอกูไม่ถอยจะค่ะพอมันชนะมันได้ครั้งเดียวเนี่ยมันอยู่มันแล้วละรู้แล้วามาันอยู่มันดังเราคุมมันได้นะจะค่ะถ้าพูดถึงอาก่าถึนท่านหลวงตาเจ้าค่ะพราจารลูกไปเจอตรงหน้าหน้าปกหนังสือของท่านนะเจ้าค่ะท่านเขียนว่าอ่า ว่างข้างนอกว่างข้างในวางข้างนอกวางข้างในวา่างหมดว่างหมดว่างหมดอย่างนี้จะครับพรอาจารย์คือท่านท่านวางอเนี่ยข้างนอกก็รูกเสียงกิ่นรสของนอกกายข้างในกขใ็ของในใจของในใจความที่ปเป่ยนแปลงไปหลักิเลสตัณหาอะอย่างน้ว๋เข้าใจใน ว, ว่าด้วย ท่านวางคือท่านวางอะไรอะไรเงี้ยจ้าค่ะอจารย์แรที่ที่ไปอ่านเจอตัวนี้ก็คิดอยู่จ้าค่ะว่าท่านท่านวางอะไรให้ถึงว่างอะไรเงี้ยจ้าค่ะอาจารย์ข้างข้างนอกข้างในออย่างเงี้ยอืมแล้วก็อ<ช>าจารย์เดี๋ยวลูกจะค่ะอะไรเียบอ่าเลยอ่าอย่างเจ้าค่ะก็ขออีกิดเจ้าค่ะลูกเก่งว่าจะมู่สาวท่านพระอาจารย์เจ้ะค่ะเรื่องเอ่อยูกาแฟแบบพี่แบบบางว ยังไงก็ยังเช่าอยู่แบบที่แน้อแบบเพื่อนอะยดางเงีเจ้าค่ะะอาจารย์คือแบบว่าอยู่ก็แบบนี้เจ้าค่ะคือมันมันสบายใจอะย่เงี้ยเจ้าค่ะรอาจารย์แล้วบทีเห็นเาอ็ตายบ้างเ่ต่อไปไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลาเวลาเาตายะไรท่ไงคือลูกเนื้อเลี้ไม่ได้ยุ่งอะไรกันเหมือนแบบสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันนั้นวันนั้นผื่อว่าเราตปล่าะอาจารย์เดี๋ยจะน้องน้มาปฏิบัติเดียวเชื่ว่าจะมุสาอะไรอย่างเงี้ย ก็คืออยู่กันอยู่กันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องจริงเจ้าะอาจารย์จีอยู่ได้แบบนี้สบายใจเจ้าค่ะผม<บ>ก็ไม่ไม่ไม่ยุง่งก็ต้องคิดกันเอาไม่เทียมเนกันวันใดวันหนึ่งก็อาจจะต้องจากกันนะจ้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเจ้าค่ะอาจารย์วันก่อนไปฟังทำเทปธรรมะบนขเขาใช่ไหมเจ้าค่ะลูกมาฉุกคิดขที่ว่าการที่ลูกอ่ากับเรียนท่ า, านอาจารย์ว่าลูกเลิกกาแฟได้แล้วนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์บอกว่าบางทีอาจจะเลิกไม่ได้ก็ได้ในเทปธรรมวันวันก่อนนะเจ้าค่ะ อาจจะอยู่ที่สัจจะเราก็ได้ที่เราไม่ไม่กินลูกก็เลยมาจะคิดว่าลูกตั้งสัจจะว่าไม่ดืม่มกาแฟตั้งแต่เข้ามาสปิที่แล้วมายาวเรื่อยๆแล้วพอออกพราษาลูกก็ยังต่อสัจจะข้อนี้เจ้าค่ะคือจะมีวิธีพิสูจน์ได้ยังไงเจ้าคะว่าลูกเลิกได้จริงๆอย่างนี้จ้ะไม่ต้องอย่าไปอยู่ครับเพราะพันยากเป็นอยงคือกาแฟนะเจ้าค่ะอาจารย์ที่ลูกอ่ากับเรียนอาจารย์คือลูกตั้งยังยังไม่ทิ้งสัจจะข้อนี้นะเจ้าค่ะว่าลูกอาจจะงดกินกาแฟอะไรอย่างนี้จ้ะ แล้วเพื่นี้ลูกก็มากัาบเตียนพี่อาจารย์ว่ามือนกาแฟเนี่ยลูกเลิกได้แล้วลูกไม่กินก็ได้ไม่ทุกไม่ร้อนว่าเออมีให้กินก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีให้กินเลยก็ไม่ทุกไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็เลยกลับมาคิดเอ๊ะเราเลิกได้จริงไหมอะไรเงี้ยต้องยกเลิกสัจจะแล้วก็มาดูว่าเราอยากจะกลับไปกินเขาไหมอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเจ้คาค่ะอาจารย์เราพูดถึงเรื่องแฟแลก้กาแฟกาแฟเจ้าค่ะเขาจะเบียดเบยดเรื่องแล้วเจ้ากาแฟเจ้าค่ะอาจ า, ารย์ เพรฟังเทศธรรมบนเขาท่านอาจารย์ก็ค่ะก็สัจจะก็ดีอยู่เนี่ยเพื่อดาวมันต้องมันต้องเลิกให้ได้จริงๆต้องเห็นโทษทุกมันต้องเห็นทุกข์ไงถ้าไปติดกาแฟแล้วมันทุกข์ไปนามันจะอยากจะดื่มแล้วมันไม่ได้ดื่มมันจะทุกข์อ๋อมันแต่ว่าก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นน้อมเป็นใต่ละเห็นน้อมเป็นทุกข์ไม่กินมันได้ไม่ไม่ไม่อาศัยมันได้สบายกว่า อสายมานล้วต้องคอยหามาดื่มเรื่อยๆพอเวลาหาไม่ได้ก็ทุกขึ้นมาเหมือนกับว่าน่าจะใกล้ๆจะอาจจะใกล้ๆเลือดได้มั้งเจ้าค่ะประจ้ำเพราะว่ามีคราว่าังเดือนเพราะว่าเคยไปยืนอยู่หน้าร้านกาแฟเลยในเจ้าค่ะแต่ไม่ดูเมนูกาแฟก็ต้องคอยดื่มไปเรื่อยๆดืยวจะงามันจะรู้สึกว่าไม่แช็งแล้วเฉยๆนะไม่เดือร้อนนะคะขำหขนมก็ยังกลับมา มีอาทิตย์นี้ที่กลับไปกินอยู่สองวันแล้วก็กลับมาผ่อนอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ถ้ากินยาวไปเลยไม่ได้เพราะยังแบงไปได้ก็ยังเล่นไปได้ใช่ได้เลยเนื้อขนมนี่แต่ว่าก็ก็กลับไปทานแล้วก็กลับมางดอย่างนี้จ้าค่ะที่จริงต้องงดยาวๆไปเลยเช่นไม่เจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดถึงเบาหวานคิดถึงเบาหวานคิดถึงโรคที่จะตามมาใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนนะเจ้คะอาจารย์ที่จะมีกินก็คือดาร์กช็อกโกแลตอย่างนี้ยค่ะกินกินได้แต่ว่ารู้จะเน้นกินตอนเช้าที่พร้อมมื้อเดียวอะไรอย่างนี้จ้าค่ะ นอกจากว่าวันไหนที่ทํางานที่แบบต้องใช้แรงแล้วเหนื่อยออกก็มีปัะหาตอนกลางวันอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์มัน่อคิดเองว่า น, นี้จังทีมันอาจจะไม่มีกินก็ได้ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ขออีกนิดจ้าค่ะลูกบนระหะว่าลูกจางวางใจยังไงดีเพราะว่าอย่างลูกอ่ผอมคนรอบข้างเนี่ยมองว่าลูกผอมแล้วก็กังวลที่ลูกทานข้าวมื้อเดียวลูกก็ตื่นเช้าวันทีลูกลูกไปปฏิบัติเพงครั้งก็เอ้ยตื่นเช้าเกิน กินข้าวก็น้อยแถมยัง้อมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนคนรอบข้างา ก, ก็จะจะกังวลเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีตรงนี้มันมารบวกวนเราเหมือนกันเจ้าค่ะว่าเราไม่รู้ว่าจะอธิบายให้เขายังไงดีอะไรย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เรารู้ว่าเราปฏิบัติตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่ต้องอธิบายนมันก็อยู่กับเราไปก็ปล่อยก็พูดไปไม่อยากพูดอะไรเขปล่อยก็พูดไปที่มามาวันที่รูปบอกเจ้าค่ะ โดยแต่ละควาใจเฉยได้หรป่าบกับคําพูดของเขาเนี่นี่เรายังไม่เฉยอยากจะไม่อธิบายอาธิบายทําไมไม่มีจําันจะเป็นต้องอธิบายก็ อ, อยากจะพูดก็่อยคําพูดไปเราอยากจะทำอะไรเราก็ทําของเราไปแล้วไม่ไปทำํำอะไรก็เสียหายเดือดน้อไนไ่ใหญ่เราเร า, เรานิ่งเลยใช่ไหมจ้ะอาจา<ม><ม>ราย์เพราะว่ายิ่งมาเจอวันอย่างวันที่ลูกอ่าต้องการต้องการงดเข้าไปเลยเพื่อที่ว่าจะมานั่งตรงเนี้ยนิง่งๆเพื่อมาดูตัวเองตรงเนี้ยเขาก็จะ ไม่วิว่นวายเหมือนกันจ้าค่ะว่าข้าก็ไม่กินอีกแล้วพรอมก็พรอมอะไรนี้นคะคือเหมือนเขาห่วงอะจํารับเขาห่วงอะไรจ้าค mm ่ะ hmm. พอเราพีไปมันก็จะทะเลาะก็ไม่เข้าใจกันทุกทีจ้าค่ะอาจารย์มไม่อยากพูดจเฉยไปแล้วก็อยู่ทำของเราไปเนี่ยอืมบางครั้งจะไปเรียกํานวจมันจําเราไปเข้าคุกจะไม่อยาพูดก็ปล่อยก็พูดไปใช่ค่ะก็วันนี้มีเท่านี้จ้าค่ะอาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหยจ้าค่ะ ใชอได้ดีสุดเช้ได oh. ้ดีสุดใชกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าเฉยก็คือว่างว่าต่อไปนอกไอยนอกก็ยังไงเราก็ว่างเราก็เฉยไปภายในเราก็ต้องว่างความวิตกกังวลของเราเราก็ต้องว่างไม่ต้องไปวิตกกังวลกับใคร น้องนำไปไปฏิบัติตามกําลังสติและก็กำลังปัญญายที่มีอยู่เจ้าค่ะอาจารย์วันนี้มันชอบสวนมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์เขาพูดแล้วปุ๊บเราจะสวนตอนนี้ยังไม่ว่ า, เา ง, ง, งเลยถ้าเครื่องเล่าอาจารย์เมื่ค่ะแต่ว่าอพอเขา้าใจความหมายว่าแล้วในเจ้าค่ะอาจารย์ดอย่น้อมนำไปปฏิบัติตามกําลังสติกําลังปัญญาเจ้าค่ะและก็สถานการณ์ที่เราดวยเจ้าค่ะอาจารย์ครับคำว่าคุณยังสูงเจ้าค่ะพยายามไปไม่ใช่ทําวันเดียวมันจะได้ เหร็มร้อยมันจะได้มากไม่ได้าไมดากเลอย่าทอ้อก็รับการทําไปเรื่อยๆสําหรับกันนะแล้วมันจะดีขึ้น<อ>ไปตามลำดับเหมันยอมรับว่าวันนี้เจ้าค่ะพรอาจารย์เริ่มอยู่กับพุโทโธเพราะว่าลูกไม่ได้ไม่สวดอีทีซีโซต่ตอนะเจคะแต่วันนี้ยอมรับว่าอาจจะด้วยกําลังใจที่เข้าไปอ่านในเฟซบุ๊กด้วยพอหลอย่างเจ้าคะอาจารย์เหมือนกับ ว, ว่าเริ่มดึงมาอยู่กับพุทโธได้บ้างนะเจาคะอาจารย์แต่ไม่ไม่ได ตลอดวันคือพอเออไม่ค่อยได้ก็มีพูทโธมาบ้างจ้าค่ะแต่ช่วงเช้ารู้สึกว่านั่งภาวนาแล้วก็ไม่ได้เข้าสมาธิความสงบได้เลยจ้าค่ะพระอาจารย์กต่เริ่มอยู่กับพุ้โธได้เลยนะจ๊ะอืมอ้าวพระอานารยถ้าเกิดว่าพุทโธเจ้ค่ะถ้าเกิดผู้โธไปแล้วเราไม่รู้ว่าพุทโธหายไปว่าหลับไม่หลับสติไม่มีสติจะว่าหลับก็ได้ใจลอยไปชิดเหมือนใจลอยไปชิดเู้นเหมือนก็ได้ จ้าบลุอีทีคือเพ่อโทรขายไปแล้วอย่างนเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ต้องกลับมาใหม่รู้ตัวสแสดง ไ, ได้สติกันมาแล้วเดงกลับมาใหม่อ๋อาจ้าค่ะทีนี้มีเท่านี้จ้าค่ะอาจารย์กลับขอพระครูยังสงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณจุ๊บโกเบยังจงุปฏิบัติคนเดียวได้ยังไม่ต้องมีเพื่อนปฏิบัติอยู่ปฏิบัติคนเดียวได้แล้วเจ้าค่ะอ่ามันสะดวกกว่าถ้าเราปฏิบัติคนเดียวเราก็เลือกเวลาของเราได้ แล้วค่ะมันสะดวกด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปไปรอไม่ไม่ต้องเหมือนกับว่าเขาจับเวลาแล้วเราต้องไปหยุดตามเขา อ, อย่างนัง้นจ้ะค่ะอาจจะปฏิบัติานหน่อยกับเขาก็ได้ก็สั้นกว่าเาก็ได้บางวันใช่ไหมแล้วก็ทำของเราไปตามสบายยังไงคะอาจารย์คะวันนี้หนูมีคำถามเจ้าค่ะอ่า น, นิวรณนห้านะคะพระอาจารย์ ในความคิดของพระอาจารย์ตัวไหนที่ร้ายกาจที่สุดเจ้าคะเออแล้วแต่ของแต่ละคนนงบางคนโกรธความโกรธอาจจะร้ายกาจนิสัยชอบโกรธมันก็จะมาเป็นอุปสรรคได้ง่ายในะใครทําอะไรนิดพูดอะไรหน่อยก็โกรธขึ้นมาอืมแล้วแต่เจริญของแต่ละคนไงมันจะบอกว่าถ้าเราเป็นโทสะเจริญเราความโกรธมัน ก, ก็จะเป็นตัวที่มีบัญหาอะเยอะถ้าเป็นราคะเจริญก็พวกความอยากอยากร่วมเพศนี่เมันก็ จะเป็นปัญหาขึ้นมาบารา่าบางคอยากความหลงความหลงก็ไม่รู้อะไรก็ก็เป็นอาจจะเป็นปัญหาก็ต้องพยายามศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมะให้มากๆหมดจะได้มีความรู้มาแก้ความหลงได้มันน่าแต่ดจติของแต่ละคนไม่ไดบอกว่าตัวไหนมันรู้ได้หรือการไม่ได้มันก็เป็นปัญหาทั้งนั้น บางคนชอบใจดอยไม่ค่อยมีสติก็เลยฟุ้งซ่านง่ายบางคนชอบกินมากนอนมากม่วงนอนเวลาจะปฏิบัติก็มัวม่วละแล้วแต่จลิตนรามันอันไหนนิวรันอ็นไหนมั น, เ ป, นเป็นตัวที่เป็นนิวรันแล้วต้องแกนนะ้แล้วจะเป็นตัวไหนก็ตา่ามแล้วแต่จดิตของคน ต, งต้องวิธีแก้วันต้องใช้อะไรแก้ เป็นเวลาโกรธเนี่ยเราจะกายยากจาแก้ยังไงโกรธเขแก้ด้วยเมตตาให้อภัยอย่าไปโกรธเขาเลยต้องเปลี่ยนใจเราเราอย่าไปอยากให้เขาทานู่นทนํานี่อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะหายโกรธได้ก็จะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปแล้วค <Okay. S 1> เราเราว่า <Okay. S 1> นยาก <Okay. S 1> เราว่าในยากสําหรับเรา ของหนูยากที่สุดคือความง่วงเหงาหานอนเจ้าค่ะก็นอน้อนลดอาหารดูบ้างกินน้อยๆพออาหารหม <Okay. S 1> ดอาหารแล้วค่ะนั่งสมาธิทีไรนี่เดี๋ยวมาล้วความง่วงมาแล้วก็ต้องพยายามเจ้าค่ะเอาอย่ง ก, กินข้าวเย็นดูแต่กินง่ายมื้อเที่ยงก็พอแต่ตอนเย็นจะ <Okay. S 1> นัง่งจะไม่ง่วงก็ค่ะอย่างวันนี้หนูก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเจ้าค่ะอืมนั่งง่วงวไม่ง่วงไหม ไม่ง่วงเจ้าค่ะแต่แต่บางทีนัดเจ้าค้าแบบบางทีดึกๆมานี่ในหัวนี่มีแต่อาหารลอยมาเต็มเลหมดแล้ค่ะไอคิดถึคิดถึงอาหารในในท้องเราในปากเราเวลาเคี้ยวกับโดยผสมกับน้ำลายนั้นมันน่ากินไหมเจ้าค่ะอย่าไปคิดถึงอาหารในจานอย่าไปคิดถึงอาหารในจานคิดถึงอาหารในร่างกายเราเวลามันถ่ายออกมาแล้วมันน่ากินไหม เจ้ค่ะอืมอกคิดถึงอาหารเก่าว่ามันหายหายหิวเลยเ<อ>กินไม่ลงเลยพอดหีหนูหนูในค่ะนิวร์ตรงเนี้ยค่ะหนูมีปัญหากับหนูมากจนหนูต้องแบบไปถามทุกทุกคนเลยที่ที่เป็นแบบเนี้ยนะคะก็ไปถามคนนั้นคนนี้ที่ดูเก่งอะไรอย่างเงั้นหนูก็ไปถามถามทุกที่เลย จนสุดท้ายได้เคยได้คําตอบมาว่าถ้ามันทนไม่ไหวจริงก็นอนก่อนแล้วค่อยลุกมาทําใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มีมันหน้าแต่มันไม่ก้าวหน้ามืนกันเราค่ะใได้ต้องแก้ใช่ค่ะมันไม่ก้าวหน้าเลยเจ้าค่ะมันก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะเราจะพยายามทำต่อไปเจ้าค่ะต้องผ่อาหารน่าจะเนึนเป็นความปริบตัวปรับติคุณของอาหารนเจ้าค่ะ โอเคนะเ น, นือจะน้อมนำไปปฏิบัตินะเจ้าคะ่ะขอบพระคุณค่าอาจารย์เจ้าค่ะอ่าอ่คุณลูกตาเชิญลูกตามีอะไรหมัหมน้อมสักการก์ดพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคยังไม่ได้คนฝนกับลูกชายเชิญเป็นฝนลูคนเดียวนะกับน้อมสักการ์ดพระอาจารย์มีดูคนเดียวเลย เดียวค่ะก็พอดีเขาเขาเขารอจะเข้าสูมกับพระอาจารย์เพราะว่าพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเจา้าค่ะเขาเขาคุยกับคุณแม่เรื่องความตายพอดีเขามีความสงสัยอะค่ะหนูก็เลยบอกว่าถามพระอาจารย์ดีกว่าพระอาจารย์น่าจะให้คําตอบได้ดีกว่ามาค่ะก็เลยพาเข้าอะทิ้ถามพระอาจารย์สนุกคืออยากรู้ว่าบนสวรรค์นี่มีอะไรหรอครับอยากรู้อ๋อบนสวรรค์ก็เหมือนด้นที่เรานอนหลังก็ฝันดีไง นั่นแหละคือสวรรค์สวรรค์ก็คือโลกของความฝันแต่เป็นเรื่องของความฝันดีเวลาเรานอนหลับหรือเวลาเราตายก็เหมือนกับเราเวลาเราตายก็เหมือนเราเวลาเรานอนหลับเวลาเรานอนหลับแล้วก็จะฝันใช่ไหมฝันดีฝันไม่ดีที่ฝันดีเพราะเราทําบุญมาเราเราก็จะฝันดีถ้าฝันไม่ดีก็เพราะเราทําบาปมาอะไรทำให้เราฝันไม่ดีพอจะ อ่าเข้าใจไหมดาบถูกไหมดาบถูกไหมเข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วคร่ ะ, ะ, ะแล้วที่ทินถามเรื่องความตายลูกถามได้ไม่เป็นไรว่าทําไมเขาเขาสงสัยว่าทําไมคนเราทุกคนเกิดมาแบบถึงต้องตายอะไรแบบเนี้ค่ะเขาบอกเขาเขาไม่อยากตายแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณแม่ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นความจริงอะมันพระที่ขึ้นแล้วพระทิศตกก็แบบ ครับ <S uch> อมันก็เป็นความจริงเรา <S <S <uch> <S เราหยุดเราหยุดมันได้ปะหยุดไม่ได้ใช่มมีใครหยุดความตายได้ปะไม่มีใคร ot หยุดความตายได้มันเป็นความจริงแล้วก็ต้องยอมรับมันแต่เราไม่ได้ตายเราไม่รู้หลัง ว, ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายที่ตายไม่ใช่เราเข้าใจไหมครับอ่า <S uch> เราเป็นคนใช้ร่างกายคนสั่งให้ร่างกายทํานู่นทํานี่เป็นใจ เราเป็นเจ้านายของร่างกายใจเราเนี่แหไม่มีวันตายพาใจมบม้างอโทษก่นอนาว่าพอใจด้วยค่ะในเวลาเขาพูดให้ฟังพอดีเพราะวันเหล่านี้เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อนก็ต้องพูดให้เขาฟังดัง <c oughs> น, นั้นจะได้มีความรู้แล้วเขาอาจจะเอาไปคิดต่อต่อไปได้คพ <c oughs> อใจไหมยังไม่ต้องกลัวตายเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นเราเป็นคนเราเป็นเหมือนคนขับรถเนี่ยเวลารถเสียคนขับรถเสียเดินไปกำลังเพื่อตอบรถด้วยเป่าไม่เนียไม่เสียใช่ัหมคนขับรถก็ยังเหมือนเดิมอยู่รถเสียงา็รถเข้าอู่ไปรถพังก็ทิ้งไปคนขับก็ไปหารถใหม่ใช่ไหมคนขับไม่ได้ตายไปกับรถรถตายแต่คนขับไม่ตายเราก็เหมือนกันเราเป็นคนขับร่างกาย ร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปร่างกายเราก็ไปสวรรค์ไปไปนรกต่อไปแล้วแต่ว่าเราทำนิสิต บ, บาปนี่นะประจัยนะนะอับ้ามาเข้ามาฟังบ่อยๆนะธรรมะเป็นของดีเะ็นของนี้เราม่นค่อยได้ยินได้ฟังมาเวลามาเวลาแม่มาข อ, ขอแม่บอกผมขอมานั่งฟังด้วยได้ไหมครับ หนูก็เปิดถ้าเปิดให้เขาให้เขาได้ยินตลอดนะคะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าบางทีก็เหมือนชวนเขาเข้ามาเขาก็แบบไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรแบบเนี้ค่ะ mm hmm. หนูก็เกรงใจก็เลยเ mm hmm. เองินให้เขาแบบนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พอดีเขาก็จะรอคุณแม่ให้ซูมให้เสร็จก่อนแล้วก็เขาถึงจะไปนอนถึงยอมจะไปนอนเลยแบบเนี้เจ้าค่ะ mm hmm. <c oughs> แต่ว่าในส่วนของหนูอะคะ่ะพระอาจารย์ที่อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้ให้ฝึกเรื่องการภาวนาเพิ่มขึ้นนะคะ ว, วันวันวันรุ่มขึ้นนะคะหนูก็ใช้วิธีถือศีลเพิ่มขึ้นนะคะด้วยการที่ไม่ไม่เข้าไปทางไม่เข้าไปทางบันเทิงนะคะแล้วก็พยายามแต่ก็คือไปทำงานปกตินะคะแต่ว่าไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวแล้วก็ไม่เข้าอะไรที่เป็นบันเทิงเลยะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจจะทำได้แบบลุ่มๆดอนตอน นิดหนึ่งอะคะ่ะก็ก็กลับมานั่งสมาธิก็อาจจะยังนั่งได้ไม่ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยอาจจะยังได้ไม่นานนะคะก็ก็เลยแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยนะคะก็ก็จะพยายามต่อไปเราก็เลยคิดว่าอย่างอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะจะหาวันหนึ่งที่เป็นวันพระของเราอะคะ่ะในการที่จะทําแบบนี้อะคะ่ะพระอาจารย์อืมันควรจะทําในวันที่เราไม่ต้องไปทํางานจะดีที่สุดจะได้ทำได้ทั้งวันทั้งคืนจะทาได้มากที่สุดนะ เันาะถ้าเราไปทํางานมันก็ไปขัดจับธรรมชาติของงานดังนั้นเราไม่แต่งหน้าทาป่ากมันก็มันก็ไม่ไม่เป็นปกติอ่ะยิ่งถ้าวันทํางานก็ถือสินห้าไปก็พ อ, อแต่ถ้าวันที่เราไม่ทํางานเรามาถือสินแปดเราอยู่บ้านไม่ตอกไปนองบ้านก็ได้ค่ะแต่ไม่แบบเหมือนอยู่บ้านนะคะมันไม่ค่อยสงบค่ะพระจันทร์เพราะว่ามันก็นก็ต้องมีกิจกรรมต้องวุ่นวายกับลูกอะไรแบบเนี้ค่ะกับการเป็นว่าไปที่ทํางานนะค่ะมันสงบกว่ า, าเพราะว่า ใช่คือคื อ, คอที่ทํางานเรามีในห้องเยวเราอยู่ในห้องของเราอ่ค่ะคือถึงเวลาทํางานเราก็ทํางานไปก็มีพูดคุยกับผู้มีคอ l มีโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลาไม่มีอะไรเราก็จะอยู่ของเราเงียบๆในห้องแบบเนี้ยค่ะภาะอาจารย์ก็ได้ก็ได้องั้นก็โอเคแล้วแต่ค่ะก็เลยจะพลายามปฏิบัติใหดีค่ ะ, ะคือเห็นแบบมี challenge ว่าแบบว่าให้นั่งเฉย ๆ, ๆหนูก็ คน อ, อ, อื่นเขาหกชั่วโมงงหนูหงักหกนาทีทก่อนน่าจะชั่วโมงก่อนก็ได้เลาว่าดูกําลังของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนเก่านั่งเฉยๆแต่หนูก็แบบเหมือนแบบหนูเคยหนูก็ลองแล้วนะคะพระอาจารย์คือได้แค่แป๊บเดียวเองค่ะเหมือนเหมือนมันยุกยิกยุกิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าโอ้ยขอให้อย่างน้อยเปิดอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เก่าไม่เข้าไม่ไม่เข้าบันเทิงค่ะแต่ก็แบบ ขอให้ฟังธรรมะพระอาจารย์หน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้มันแบบได้ได้มีทางออกอะค่ะพระอาจารย์ได้ได้มีทางออกอ่ะฮะคือคือใช่มีทางอออะระบายกรรมฉันทะตามอย่างในรูปเสียงหินเนาะของของหนูนี่ยากตรงตอนนี้ค่ะหนูว่าของหนูยากตรงกรรมฉันทะค่ะพระอาจารย์ตกตรงนี้ค่ะจุดจุดยากค่ะนิวรณ์ที่ยากสําหรับหนูอะค่ะก็ต้องพยายามทํ า, าทไปถ้าที่นยราทําได้ไปก่อน อย่าทำมากกว่ากำลังของเราแล้วมันจะทําให้หเราพ่อได้ออก็หนูก็ฟังที่พระอาจารย์เคยเตือนหลายรอบแล้วค่ะเรื่องนี้ก็เลยเหมือนว่าเออก็พยายามต่อไปยังทําไม่ได้ก็พยายามต่อไปอ่ะค่ะก็ยังยังใช้คําว่าพยายามไปเรื่อยๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะพระอาจารย์ทำตามกำลังของเราแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไป ต, ตามกำลังกลังทําไปเรื่อยๆอ ม, มันจะเพิ่มขึ้นได้ไปเรื่อยๆอ่ ก็ตอนนี้ก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่มทีละทีละนิดนะคะทีละทีละนี้นิดนิ ด, น ด, นดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ก็ยังดีก็ไม่ได้เพิ่มเลย <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาถอยมันถอยเยอะค่ะเวลาเวลาเหมือนถอยทีถอยเยอะค่ะแต่ทีหมดเลยก <laughs> ็ไม่ถึงกับทีง่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบมันมันพอมันถอยปุ๊บมันกลับมาอย่างพระอาจารย์ก็คงทราบค่ะมันยากจริงๆค่ะเพราะเวลาจะขยับทีมันก็เลยได้แค่เหมือนเข็นครบขึ้นภูเขาอ่ะทีละนี้ทีละนี้นะคะแต่ว่า ก็ไม่ไม่พอค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าเนี่ยหนูตั้งทําได้ละเข้าสูมแบบติดต่อกันได้แบบสองสามอาทิตย์แล้วถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ต้องเข้าต้องเข้าให้ได้ต้องทําให้ได้อะค่ะก็ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะพระอาจารย์โอเคตามต่อค่ะค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะบางวันอะไรบางสามยอยังใช้สามยออยู่อ่ะอาวุธประจำกายใช่ปะ นมรดกกรรมเจ้าค่ะใช้สามยอเจ้ค่ะเหมือนเดิมเจค่ะก็จนจนกลายเป็นเหมือนหนูเป็นคนนิ่งเฉยไปเลยเจ้าค่ะก<อ>ไ็ไม่เสียใรทำไม ค, คนนิ่งเฉยไม่ได้ไปทำให้ใครเสียนอนท่านหน่อยใช่ไหม้ะค่ะวันนี้ก็ไปผเอิญได้ได้ฟุกนะคะไปไปเยี่ยมพนักงานที่เขาป่วยผ่าตัดเขาที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็ เขายังไม่เปิดให้เยี่ยมหนูก็เลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไปหาวัดแถว ถ, ถลงมาปาลคาะนั่งสมาธิแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งกลับเขามานั่งตรงห้องสุขเฉินแล้วก็ดูดูคนไข้รถเข็นที่เขาเข็นไปมาค่ะก็เลยได้ใบเบิลเลยค่ะทั้งสมาธิแล้วก็เรื่องของการพิจารณาความเกิดความเจ็บค่ะ แล้วก็ช่วงนี้เหมือนชอบอะค่ะอาจารย์พอตั้งแต่ที่แบบไปอุทยานประวัติศาสตร์แล้วไปนั่งสมาธิอะค่ะที่น่ากลัวที่เราไม่คุนนะค่ะพอเรานั่งแล้วนั่งได้อะค่ะเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็แล้วแต่ก็ก็เลยปิดปิดนั่งในที่ที่ที่เราไม่คุนแล้วมันทําให้เวลาเรากลับมานั่งแล้วมันติดติดง่ายขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยจ้ะค่ะอืมดีนะคะส บ, บาย ประมาณที่จะช่วยช่วยลดัรงการปฏิบัติของเราให้ขื้หน้าต่อไป้แล้วค่ะสู้ไม่ถอยค่ะนิ่งไป <Okay. S 2> ที่วัดป่าบ้านปา่าเราด้วยแล้วไปเจอที่แบบที่ปฏิบัติของครูบาอาจารย์และพระอาจารย์ด้วยอมันนิ่งมีกําลังใจค่ะกขอบคุณเจา้ า, จาคา่ะอคุณคันชินขันชินไต้หวันเป็น anyway ยังไง ยังไม่ได้เปิดใด ไ, ไม่ได้ยินไหมครับปาาอายจันได้ยินนะอะ๋อ๋อกราบป้ายจาย์ครับมีอะไรไหมอ๋อวันนี้ก็เอเข้ามากราบป้าจาจย์ครับไม่ได้เข้ามาหลายสองอาทิตย์แล้วครับอืสบายดีนะนวันนี้วันนัดนี้หมดล้วใช่ไหมแต่ว่า ยังไว้อยู่ครับอาจารย์ยก็แต่<ม>แต่น้อยลงครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับ<ม>แต่เรื่องการปฏิบัติผมว่ามีเวลาก็ปฏิบัติครับอาจารย์ถ้าอยู่ในห้องคนเดียวก็นั่งสมาธิคนเดียวครับตก็ยังปฏิบัติอยู่ครับแต่ยังมไม่เต็มท้น้อยครับ อ, อทําหน้าที่ทําได้นะครับอย่าปล่อยอย่าทิ้งก็แล้วกันทําไปเรื่อยๆ แม่น้อยทำไปเวลาไปทำงานอย่างงี้มีความโกรธความโกรธหรือว่าความโกรธงหโหอะไรอย่างเงี้ยจะมีพุทโธเข้ามาในใจอัตโนมัติเลยครับอาจารย์แล้วก็หยุดได้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไม่พูดเขาก็จะพูดอย่างเดียวครับเพราะว่าประเทศเขาจะพูดแรงๆอย่างเงี้ยผมก็จะยิ้มอย่างเงี้ยครับไม่ไม่มีอะไรมัน มันจะมีเหมือนเหมือนพูดโทรเขามาเลยครับพูดโทพูดโทพูดโธรอย่เงี่ยครับแล้ว<ร>ผมก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอาจารย์อะไรคิดว่านี่ก็ธรรมะของมาช่วยเราตอนที่เราลาบากอะไรเงี้ยครับดีมากทำต่อไปนะครับป้ า, า อ, อาจารย์ขอให้ป้าอาจารย์ทาตุกันแข็งแรงครับาสาธุอ <สะ S 1> ันนี้เป็นตาย ตายเชินแล้นี่นะอยู่นักเกลือไม่อยู่เชียงหมอยู่นาเกลือค่ะพ่อจย์ไม่ได้ไป<ม>ไหนคะ่ะ<ม>ก็<ม>ก็จะมีคําถามว่าอาจาย์คําถามเดียวก็คือว่าการที่เราจะพูดเป็นพูดออกมาก็คือสัจจะของเราหรือว่าแค่นึกก็เป็นสัจจะแล้วคะพ่อจันนึกก็เป็นสัจจะแล้ววิ่งเงี้ยก็ผิ ด, ดยัน หนูก็ยึดเอาเวลาหนูพูดออกไปแล้วหนูถึงว่าอันนี้คือสัสจจะอ๋อแต่แค่ตั้งใจเหรอคะอาจารย์หมายถึงว่ามันอยู่ที่ว่าเราถาเราเสัจจะแบบว่าเราจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันเพียงแต่เน้งมันก็เป็นสัจจะมันก็เป็นมันต้องเน้นแล้วมาบอกนะี่อันนี้เราจะทาอย่างนี้มันต้องมันต้องมีย้ําตอบย้ําหน่อยไม่ใช่นึกเฉยๆยังปล่อยลอยๆยังไม่ถือเป็นด้านยังไม่ถือเป็นการตั้งสัจจะ พยายามตังสงศัจจามันต้องมีมีก็มีมีความตั้งใจแน่วแน่เช่นอาทิตนี้จะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กินข้าวเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็กำลัดขึ้นมาเลยอาทิตนี้จะไม่กินข้าวเย็นนะพูดกับตัวเราเองเลยแต่เราไคิดไปิดๆว่าอาทิตยนี้จะกินข้าวเย็นแล้วไม่กินอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้ถือเป็นสัจจาม เดีคิดว่าถ้ะนั่งพูดออกมาแล้วจะมันงมมันต้องมีเจตนามีภาพตั้งใจอย่างนี้หนูก็คิดว่าตัวหนูเองมีสัจจะมาตลอดนี่แสดงว่าล้มเหลวกับตัวเองมาตลอดอคิดว่าการพูดออกมานี่คือการพูดแล้วเราต้องรักษาคําพูดของเราเออถ้านึกยันใจถ้ายังไม่เป็นสัจจะหนูก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกันที่เราตกหลงอะคายว่า นั่นกันว่าพรุ่งนี้จะไปวัดเนี่ยมันก็เป็นสัจจะขึ้นมาแล้วพรุ่นี้เราก็ลองไปวัดกับเขาค่ะตอนแรกหนูยึดกันพูดออกมานะคะพระอาจารย์คนเดียวแต่ถ้าเราพูดคิดของเราคนเดียวเนี่ยเราจะไม่กินเล่าเฮี้ยแล้วเราต้องพูดกับใครหรือเปล่าไม่ต้องพูดใช่ไหมหนูพูดกับตัวเองค่ะพอาจารย์มันก็ได้ก็พูดกับตัวเองก็ได้แล้วก็หนูโูดออกไปกับพระอาจารย์หนูก็เลยอุ้ยพูดออกไปแล้วหนูมันก็เลยแบบว่า มันก็เลยค้ำหนูอยู่ไว้ได้เพราะว่าหนูพูดออกจากปากหนูไปแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ไอเรื่องกินข้าวเย็นเนี่ยหนูก็บอกตัวเองในใจมันก็เลยกลายเป็นว่าหนูยังไม่ได้พูด ม, มันก็เลยแบบล้มลบทุกขามีอะไยอะแตอยู่ที่ตัวห น, นูนะ่ะห น, นูห น, นูจะคิดว่ามันเป็นสัจจรนะแม่ก็อยู่ที่ตัวห น, นูเองเป็นผู้กําหนดขึ้นมาเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะต่อ ก็ทดสอบก็คืองดข้าวเย็นมาตั้งแต่วันวันจันร์แล้วค่ะพระอาจารย์กางเที่ยงก็ไม่กินก็กล่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้ค่ะพระอาจารย์จะไม่กินข้าวเย็นต้องพูดออกมากันแต่ไดแต่ได้จะแล้วต้องคําวณด้วยกี่วันดี่เวลาถ้าไม่พูดไม่กคำนดเวลามันก็หมายถึงตลอดไปนะใช่ไหม นั่นแหละค่ะพาาู้อารย์สก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะผู้อาวุยาาา์ต้องมีแบบอะไรนิดนึงสะ ก, กิดสะ ก, กิดในใจของตัวเองไว้ว่าอะไรเราพูดออกไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะทาให้เรามีพลังมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่พูดรู้สึกว่าพลังมันถอยเรื่องเรื่องสัจจะถ้าเรายืดอย่างนั้นอนะยงก็คิดว่าอาต้องต้องพูดออกไปมั่ง แต่จะได้จะได้รักษาสารสัตว์อย่างไหก็ได้ขอให้เราไม่ว่าเราตั้งใจจะทําอย่างนี้แล้วกันอันนี้แหละเป็นถ้าเราเราจะพูดในใจเราแล้วจะพูดออกมาก็ได้ตอนนี้จะไม่กินข้าวเย็นน้ายอันนี้มันถ้าถ้าเราไม่ทําตามเราก็ไม่เราก็ไม่รักษาสัจจะใช่ไหมนะคะอาจารย์อันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเคค่ะอนุกลับแลสวัสดี อมาดูรักสมอคุณปุ้ยคุณปุ้ยกลับน้ำมาสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงสบายดีอ่าไม่ไไไมีคะ่ะแค่ว่ามารายงานตัวกับพระอาจารย์ว่าโ ย, ยมยังปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่า อ, อสัปดาห์ที่ผ่านมาเโยมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันมันเป็นอะไรไม่รู้มันเหมือนมีกิเลสหรือมันมีมารมาฝาัง เพราะว่าพอมันเหมือนมีอะไรมาติดคอติดคอติดคอแล้วเวลาที่โยมจะนั่งสมาธิก่อนนอนมันมีอยู่สองสามวันคืออยู่ๆโยมก็ง่วงนอนอะ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจานร า, ามันก็ปธ ร, รมดามันก็เป็นธรรมดาทุกอย่างมันก็เป็นธรรมดานีอ่อะไรจะเกิดขึ้ น, นก็เป็นธรรมดา แต่ยมก็ปฏิบัติทุกวันสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาถือสีลแปดโยมไม่เคยกินข้าวเย็นแล้วก็คือมันรู้สึกมันสบายใจมันนิ่งแล้วเราก็ไปเดินสวดมนต์ด้วยเพราะยมเดินเดินเขาเรียกอะไรวะเดินจงกรม嘛เดินจงกรมเดินโยมเดินไม่เป็นโยมเดินเป็นแต่ว่าสวดมนต์ ก็เหมือนกันนะเ ด, นเ ด, นนเดนนินเดินสวดมนุษย์ก็เดินจงกรมเหมือนกันหลานนนทำไมแต่โยมรู้สึกว่าเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่โยมจะมาเข้าทุงกับพระอาจารย์นะพอยมเดินสวดมนต์ครั้งนี้มันประหลาดมากคือในสวนมันไม่มีใครเลยแล้ ว, แ, ลวแบบโยมก็สวดเป็นคนชอบสวดมนต์เสียงดังๆทีนี้พอเวลาเราวางเท้าไปอะ่ะมันมีพลังอะไรก็ไม่รู้ที่มันมาจากพื้นดินอะ่ะมันมันเหมือนกับดันมาที่เท้าเราอย่างเงี้ย หรือว่าจิตเราปรุงแต่งเองก็ไม่ทราบนะป้าจาย์แล้วแบบมันรู้สึกเหมือนกับเดินไปเราเดินไปปุยปุยนุ่มนุ่นอย่างเงี้ยเอเรารู้สึกมันเรารู้เลยว่าเราเดินขาเราก้าวขาเราก้าวเราเดินแต่ว่าปากเราสวดมนั่นมันมันถูกไหมคะป้าจารย์เราทําอย่างเงี้ยเก็ใจเราการสวด น, นี่ก็เพื่อให้ไม่ให้ใจเราลอยไปคีดเด่เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเองที่ก็ถูก ใช่ไม่มันไม่ได้คิดบบมันปกติแล้วโยมก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรนะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าโยมก็หาวิธีที่ว่าไม่ให้นอนหลับอ่ะมันมันชอบมันชอบเออเหมือนอะไรมีติดติดติ๊ติติอย่างเงี้ยแล้วมันชอบเผลอหลับโยมก็เลยไปเอาคลิปที่ของหลวงตาบัวมาฟังเพราะว่า มันบินคลิปอยู่คลิปหนึ่งซึ่งเอ่อเวลายมฟังแล้วยมจะกลัวพอยมกลัวแล้วยมจะไม่นอนหลับความจริงมันก็ต้องมันมันมัก้องแก้การใหญ่ไปกินมากจยอมไม่กิะอาจารย์ยมไม่ได้กินเยอะนะเพราะยอมกินแค่แต่มันยังง่วงอยู่ชะนัยมันก็ยังเยอะอยู่เดี๋ยวลองลดลงไปอีกเลย เราอดทั้งวันดูก็ได้อย่าไปกินท้งวได้ไหมกินอย่าไปกินวันหนึ่งเลยได้หมเผลออดไปทั้งวันเลยเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วยมนั่งสมาธิเพลินจนลืมกินเลยเน้ออันนั้นนี่ยยมไม่ง่วงแต่ทีนี้เราก็เอ๊ะเป็นไรหรือว่าเราเป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นไรเราก็ไม่ยำจะคิดนะคะอือฮึหรือว่าจะขี้เกียจพระอาจารย์ ต้องหาคํำตอบเองก็แล้วกันยังไงคนอื่น้ามาตอบให้เราไม่ได้เราก็รู้อยู่คำตอบคืออะไรไม่ต้องมาถามแต่โยมก็โ ย, ย, ยมก็พยายามแบบว่าเข็นตัวเองขึ้นมาทำทุกอย่างเข็นตัวเองขึ้นมาสวดมนต์ภาวนาบางทีแบบถ้าสวดสายไปก็ก็คือทบทบทบพยายามทบแบบไม่ลืมอ่ะนะคะโอเค อันนี้ก่อนนะเนี่ยต้องไปที่คนหนึ่งค่ะค่ะจ้อขอให้พระอาจารย์พัดขันแข็งแรงค่ะจ้าด้วยขอให้คุณปู้ให้น้าไปหน่อยนะสาธุค่ะพระอาจารย์อ่านี้คุณทิติมาเชิญแต่ว่าจการือเปล่าอาจารย์มีอะไรอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหนูฟาสติ้งได้สองวันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ได้แค่สิบเจ็ดค่ะการข้าวมา อเคไม่มีคำถามค่ะออค่อยๆทาไปนะได้ค่ะอาจารย์น่าแข็งแรงนะคะยินดีคุณทายาทยินได้ยินไหมคุณทายาทได้ยินครับอาจารย์ครับมีคําถามสองคำถามนะครับที่ตอนเนี้ยผมเอาบทสวดเรื่องพิจารณาก่อนอาหารก่อนฉันอาหารกับพที่ณาก่อนระหว่างฉันอาหาร แต่ผมพิจารณาเป็นภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษาบาลีแตอนนี้ไอ้สิ่งที่สิ่งที่ผมไม่อยากจะทราบเนี่ยพอพอผมหาข้อมูไม่ได้สักทีหนึ่งคนที่แตกอันนี้คือใครครับบทสวดบทสวดการพิจารณาก่อนชั้นอาหารกับบทสวดพิจารณาก่อนระหว่างชั้นอาหารนะครับน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะโอเจ้าเป็นคํามสารพระพุทธเจ้าครับโอเคครับผมปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับ ไม่แปลกทีน<ด>ี้สิทำได้ทุกคนจะเป็นพระแล้วเป็นคารวาสก็ได้จะได้รู้ว่าเราทําเพื่ออะไรจะได้นนไม่ถูกความหลงกิเลสมาหลอกให้เราทําแบบฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นครับ<ช>ผมเรากินอาหารเพื่อดับความหิวจะ ก, กินอาหารห้าสิบาทแล้วร้อยบาทมันก็ดับความหิวได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือก่อนก่อนเรื่องอาหารเนี่ยผมก็นึกถึงทาสวดอันนี้ก่อนที่เป็นภาษาไทย ก็สมมตกับว่าถ้าไปบิณฑบาตแตบผมก็ไม่ไเลือกเมนูอาหาระนะครับให้เขาจัดมาเลยเอดกินได้มไม่ได้เพราะต้องกินแต่ระหว่างกินมมผมก็นึกถึงบทสวดคำนี้ตลอดเลยอ<ม>็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับที่จะทํำแบบนี้ได้ไม่แปลกเกินเพื่อจะได้ควบคุมกิเลสไงบทบทสวด น, นี้มีไมว้เพื่อเราควบคุมตัญหาความอยากของเราครับครับก็รู้สึกแปลกๆมีความสุขไปลกๆเลม อย่างอื่ก็ต้องพิจารณาก่อนเสื้อผ้าเราจะใส่ก็ต้องพิจารณาการอยู่บ้านที่เราอยู่ก็ต้องพิจารณาอาหารที่เรกินก็ตพิจารณาอะเงี้ปัจจัยสี่ครับผมครับก็คํำถามสุดท้ายนะครับอันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วมันก็เกิดอาการปิติขึ้นมาทันทีเลยตอนก้มกราบตอนนี้ผมก็เลยสติมันก็เลยนึกขึ้นได้ ว่าอ๋อถ้าไปฟุ้งตามมันเนี่ยเดีด๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ละผมก็ทำตัวเป็นผู้รู้เฝ้าดูอากาศนั้นไปจากปิติแทนที่มันจะระดับฟุ้งขึ้นมาเลยมันก็ค่อยๆสงบลงสบลงสบลงจนใจสบงบอันนี้ถือว่าเป็นการทำสติเพื่อไม่ให้หลงตามปิติในสิ่งที่ดีๆนะใช่ไหมครับใช่ไม่หวังเฉยเพราะทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเราไปติดในเวลามันดับมันจะทาให้เราเศร้าได้ อ๋อครับงั้นถึงที่ผมปฏิบัติก็ถือว่ามาถูกทางในการใช้สติให้ปล่อยวางให้รู้เฉยแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีเชดไปหว้ปรุงสารฤทธิกระทาแต่ถ้ามีอาการก็ให้รู้แล้วก็หวางเฉยนะครับใช่ใชแล้วในการรักษาใจให้เป็นปัคตคิครับผมครับสองคำถามแค่นี้แหะครับก็ปฏิบัติสติปตัตฐานในหดกายอยู่เพื่อให้แน่ม อ, อันนี้อันนี้มันอยู่ในหมวดจิตเนี่ย ครับมันเก็บมันก็ม่มันบางทีก็อาจจะมีไฟบางคอาจะโผล่มาก็ต้องก็ว่าไปขับโยบมเวทนาก็ได้อาจจะเจ็บตรงนั้นโปวดตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันปล่อยวางเหมือนกันครับใช้แนวนี้ครับขอบพระคุณครับสาธุการครับโอเคอย่างคิวครคุณเอาไปเสจใช่ไหมครับไปเสร็จจานดาวนวสการ์พระอาจารย์ครับ ยังไงมีอะไรไหมถามสักหน่อยหนึ่งครับอาจารย์อว่ามาคนคนที่เข า, เ, าเรียกว่าจิตสงบแล้วเนี่ยอแต่ความคิดเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่ามันมันเกิดขึ้นแต่จิตเป็นผู้รู้เป็นผู้รับทราบเฉยเฉยความคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไป ม, นมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็ไปไหนมันก็ไม่รู้อันนี้มั น, มนเป็นยังไงครับอาจารย์ก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ไม่ต้องไปรู้วันมาจากไหนไปตรงไหนคให้หยุดมันถ้ามันไม่จําเป็นก็อย่าให้มันคิดนันเองให้สติหยุดมันเพราะความคิดตอนนั้นมันเกิดขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกับว่าเราขี่รถไปแล้วก็มีรถขี่รถผ่านไปเราก็ไม่เราก็เห็นอยู่รถมันผ่านไปแต่ไม่รู้รถรถใครก็ไม่รู้ใครเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นลูกของใครเราไม่ได้สนใจความคิดตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นมันก็มันก็อย่างนั้นแหละเกิดเกิดขึ้นมาก็เหมือนรถผ่านไปลมันผ่านมาแล้วมันก็พัดไปมันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ มันไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตายรักกันในอนิจจังเกิขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนั้นตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ไปมันมาไปมันไปถ้าทางที่ดีหยุดไมนได้ก็หยุดสิแต่จิตมันไม่ได้ไปสนใจนะพระจันทร์มันไม่ได้สนใจความคิดมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปแล้วแต่แล้วแต่ความคิดมันเลยแต่จิตเป็นผู้รู้เฉย มันก็ไม่ถูกอ่ะมันต้องมันมันต้องสนใจเพราะความคิดมันมีผลกระทบต่อจิตนะ <c oughs> คิดไม่ดีคิดไปทางกิเลสมันก็ทำให้ใจทุกข์มันอำให้มัคิดไปในทางธรรมครับพานยาครับหมดคำถามครับพันยาเอเอจอ่คุณกิตาคุณกิตาเก กลับมาสัการ์ค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมค่ะมีคําถามค่ะคือถ้าระหว่างวันเราทํางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะแล้วก็ตอนเย็นภาวนาแล้วฟุ้งซ่านเยอะค่ะพยายามที่จะพุดโธแล้วก็ก็ยังยังฟุ้งซ่าน <c oughs> อยู่พระอาจารย์แนะนํายังไงดีค่ะใช้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้อย มันจะช่วยลดความฟุ้งซ่านได้ถ้าพูดโทคําเดียวมันสั้นไปแนละ้วก็สวดอินทปีโซไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าพยายามมีสติอยู่กับการสวด น, นะอย่าไปให้อย่าปล่อยให้มันกลับไปคิดถึงเรื่องรานที่ทําอยู่ที่ออฟฟิศนะค่ะค่ะสวดช้าสวดเร็วลแล้วแต่ให้มันจิตมันเกาะแต่อยาบทชสวดเท่านั้นแล้วกลไปเรื่องคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำงานก็จะหายไป แล้วค่อยกลับมาดูลองไม่พูดโทรต่อ ไ, ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็พยายามที่จะที่จะถือศีลแปดแต่ว่ า, าจะมีไปฟังธรรมบ้างบางทีก็เปิดฟังพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เปิดคลิปที่เป็นเสียงธรรมอันนี้ถือว่าไม่ไม่ผิดศีลใช่ไหมคะคือบางที ถ, ถือถือศีลแปดไปฟังธรรมก็คลิป อื่นๆก็จะโผล่เข้ามาหรือว่าคือควรที่จ ะ, ะบันทึกเซฟเอาไว้แล้วก็คือไม่เข้าไป youtube นะคะพระอาจารย์ใชยก็อะไรถ้ามันไม่ใช่เป็นธรรมะก็ก็ก็ปิดมันไปอย่าไป<ม>อย่าไปดูมันเอาแต่ที่มันเป็นธรรมะอย่างเดียวเฉพาะวันที่เราปฏิบัติทมแต่วันอื่นถ้าจะเป็นก็ดูได้แต่ถ้าวันไหนที่เราถึงสิ่งเราก็อย่าไปดูมันอืมค่ะค่ะคือถ้าถ้าเป็น คลิปที่ไม่ใช่บันเทิงแต่เป็นข่าวสารพอดีว่าคือทํารายการที่เป็นเป็นข่าวค่ะ บ, บางทีก็อาจจะต้องตรวจเช็คงานให้ให้ให้ทางที่ทํางานอันนี้สามารถทําได้ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าควรจะหยุดในวันที่เราถือศีลถ้าหยุดได้ก็ดีแต่ถ้าจำเป็นต้องทําก็ตอนนั้นรวมไปค่ะค่ะจะพยายามปฏ<น><น>ิบัติไปเรื่อยๆไม่ทอ้อถอยค่ะพระอาจารย์ย<ะ>ินดียินดีที่ได้ฝั่งว่ามีวันพักนะ ถึงว่นอยู่ทำ ง, งานเป็นเงินพะเนี่ยถูกต้องแั้นะค่ะค่ะ ข, ขอบคุณพระโอเคสาธุแต่ <Okay. S 2> ที่เจิม้มต่จิม้ไไมในเวลาทำงานอยู่แล้วอยู่บ้านการามาสักการ์กพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะพอดียมต่อจากในรถค่ะทันนี้ยมทำงานที่บ้านค่ะเพราะว่าพอดีวันนี้ลูกสาวมีงานการดย์ชันที่เขาจะจบ <S <S Middle s c h ก o l ค่ะ ก็เลยขอที่ทํางานว่าวันนี้ขอทํางานที่บ้านได้ไหมเพราะว่าลูกจะมีพิธีจบอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็อพอดีมันไม่ยุ่งด้วยเขาก็เลยอนุญาตได้ทำที่บ้านได้ะคะ่ะก็จบชั้นไหนจบเอเกรดแปดอะคะ่ะปีหน้าก็ <8. S 2> จะไปเกรดเก <High school, S 2> <ะ>้าค่ะไปไฮสคูลต่อใช่ค่ะพี่ชายเมื่อกี้อเผอินว่าหนูก่ก็โยมก็เพิ่งไปส่งลูกชายมาเหมือนกันมันก็เลยต้องขับดึงนี่ก็เลยอยู่ในรถอนะคะ่ะเพราะว่าลูกชายก็ วันนี้ก็วันนี้เขาไปกันโรงเรียนกันวันสุดท้ายแล้วค่ะก็เลยเขา uh huh. เขาไม่ค่อยสบายก็เลยตื่นสายก็เลยให้หลับไปเพราะว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยเขาจะไปกับพ่อเขาเขาจะไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะคะ่ะยมก็เลยกลัวว่า เ, าเดี๋ยวเขาไม่สบายบนเครื่องบินอะไรเงี uh ้ยค่ะก็เลยให้เขาพักนิดนึงค่ะพ่อจันสบายดีนะคะสบายดีจ้ะ ค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมมีคําถามนิดนึงค่ะเมื่อเช้าที่ข้ามาฟังน้องโยมจําชื่อน้องไม่ได้ที่เขาเป็นเด็กแฝดนะคะเขาทอ่องกรรมกรรมเป็นแดนเกิดนะคะพระอาจารย์อมาพระอาจารย์ชายค่ะพระอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ากรรมเป็นแดนเกิดนี่มันคือแบบไหนคะก็หมายหาว่าเหมือนกับมีกรรมเป็นเป็นแดนเกิดเนี่ย คือเกิดนี่คือต้องเกิดหมายถึงว่าเกิดแบบตายแล้วเกิดหรือว่ากเกิดแบบว่าเกิดในใ น, ในภูมิต่าง ๆ, ๆครับกรรมจะเป็นผู้พาเราไปเกิดในภูมิต่างๆเลยเป็นเทวดาบ้าเป็นพรหมบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างก็อยู่ที่กรรมที่เราทําอ๋อนี่มันคือเกิดในรูปของอีกอีกภพภูมิหนึง่งมันมไม่ได้รวมมันไม่ได้รวมกรรมแบบว่าเกิดเหมือนกับว่ามันมันเอาไปแอบประยุกต์ในการแบบเกิด มีอารมณ์แบบว่าถ้าเราปีทํากรรมแบบนี้วันลุ้งขึ้นเราก็จะมีกรรมแบบเกิดเป็นความรู้สึกแบบนี้มันใช้ได้ด้วยไหมคะพระอาจารย์ก็ได้ทั้งนั้นนะเราทำแล้มันเกิดความรู้สึกดีไม่ดีสุขหรือทุขกข์ก็ได้อ๋อคือมันมันรวมทุกอย่างที่ทําอืำแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงว่าเกิดเป็นอีกภพภูมินึงอย่างนั้นมากกว่าใช่ไมคะพระอาจารย์ใช่ ที่ไปสัตว์บางคนบางนไปตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เปรในในาชานบางคนตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาก็อยู่ที่บุหรี่ที่ทําเนี่ยที่ทําในในภพในชาติปัจจุบันใช่ใชไหมคะ<ช>แล้วก็<ม>แล้วก็ของเก่ามาด้วยใช่ไหมคะอ<ม>าจารย์ใช่ อ, อส ม, มุติถ้าของเก่าเรามีมาบักปุนมาสิบชาตินี้ทําอีกห้ามันก็จะไปแบบว่าได้ดีขึ้นใช่ไหมคะมแด้ไม่นองมากกว่าบาปที่เราทํา แล้าบาปกกว่าบุญบาปก็หนึ่งไปไปไ ป, ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปนรกเนี่ยถ้าบุญมีมากกว่าก็หนึ่งไปให้เป็ น, เ ป, นเป็นเทวดาค่ะแต่ถึงเทวดาก็ต้องไปพอมดจนก็ ต, กต้องกลับม า, มานนใหม่กลั บ, ลบมาเกิดใหม่กลับาเกิเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ทำบุญจนกว่าจะไปนิพพานจนกว่าจะนิพพานใช่ค่ะ โยมก็พยายามคิดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าเมื่อไหร่สมมติถ้าเราฟังทำไปแล้วเราพิจารณาไปด้วยนี่ถือว่าการเป็นการเจริญปัญญาไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นอะ ร, ระดับหนึ่งเป็นร ะ, ระดับหนึ่งยังไม่ได้เป็นปัญญาที่ขั้นสุดท้ายยังไม่ได้เป็นปัญญาที่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อเมื่อไหร่ที่จะถึงเรียกว่าเป็นปัญญาที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้คะพระอาจารย์ต้องได้สมาธิด้วยต้องมีสมาธิคือมีสติเป็นประจำแล้วก็มีสมาธิที่แน่วแน่ด้วยใช่ถึงจะหยุดถึงจะหยุดความอยากได้คือเมื่อไหร่ที่หยุดความอยากหยุดกิเลสได้มันก็คือเรามีปัญญาที่ถาวรแล้วใช่เป็นปัญญาที่ที่สามารถดับความทุกข์ดับการเวียนว่ยตายเกิดได้ ศาสตรเจ้าค่ะค่ะยมจะพยายามค่ะ<ม>ว่าอาจารย์มันมีเรื่องคือบางทีที่เราเห็นแบบอย่างเมื่อเช้าเนี้ยคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของลูกนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นแม่เราก็จะแบบเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมาฟังพระอาจารย์เออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆอนะคะพระอาจารย์มยมก็เลยว่าเออมันคุณปังวะไรเรามายอมหยุดเย็นช่างมันเถอะเราแก้อะไรไม่ได้ในเมื่อมันเกิด<ม>แล้วค่ะ อันเนี้ยทาได้ก็ทำไปอันทําไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะเพราะบางทีลูกก็ต้องก็หัดลูกก็ต้องเรียนรู้ผ่านจุดของเขาไปเองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ต้องให้เขาดูให้เขาเรียนรู้โดยตัวเองค่ะถึงแม้ว่าคนที่จะทํากับเขากระทาสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีกับเขาเป็นผู้ปกครองเขาเราก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปใช่ไหมคะถ้ามันไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะทําอะไรได้ก็ต้องปล่อย ใช่ค่ะ mm hmm. ใช้ค่ะอ า, าจารย์ยมก็เลยมาเห็นความสว่างว่าถึงแม้เราจะพูดเราจะไปถามให้เขาอธิบายแต่มันก็ไม่ได้อยู่อำนาจของเราอยู่ดีเพราะว่าเขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้อยู่ดี mm hmm. ค่ะ ค่ะสาธุครับอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ค่ะอาจารย์ขออาจารย์ท่านข่งแข็งแรงนะเจ้าคะว<อ>ันนี้ฉันเล่นเกมไม่้หายไปไหนก็ฝากอ๋อขอขออนุญาตค่ะอาจารย์แทนสลินทอนด้วยพอดีว่าเขายุ่งที่ทํางานมากๆเลยค่ะ <c oughs> เหมือนกับเพื่อนร่วม ง, งานเขาแบบมันมีเป็นการเมืองเล็กที่ทํางานเล็กน้อยอะค่ะ <c oughs> แต่เขาก็เก่งว่าแล้ววันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจอกันค่ะไปงานหลวงตาชีอายุท่านหนึ่งร้อยปีพอดีค่ะอาจารย์ ก็เลยได้เจอการสาการด้วยนี่นะคะค่ะสาธุเจ้าค่ะไปที่เป็นปียวัชเชนเป็นปีอวัชด์ยี่ห้ห้เปิดใหม่ยังยี้อเปิดใหม่อันไม่โนกานโอเคเปิดนะรับพิธการพระอาจารย์ครับที่กระเพงเพชรครับอาจารย์มีอะไรไหมไปวันนี้ขับรถกลับบ้าน เหนื่อยเรื่องงานหลายวันไม่ได้ฟังพระอาจารย์หลายเดือนแล้ววันนี้กลับมาก็รู้สึกสบายใจ mm hmm. ก็เลยอยากเข้ามากล่าวพระอาจารย์แล้วก็มาขอบคุณด้วยว่าธรรมะของพระอาจารย์นี้ดีดีเหมือนเดิมเลยแล้ว mm hmm. กนวัวจะไม่ได้มาอ่าไม่รู้ว่านายแค่ไหนจะได้มากล่าวอีกเลยวันนี้รอกล่าวอาจารย์ <Okay. S 2> ไม่มีคำถามโอเคยันไปที่คนหมอนัตถุสคนสุดท้ายวันนี้ หมอหมอสุขการแพทย์ครับเป็นยังไงสบายดีครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับงานเหมือนเดิมครับอแต่ก็ไม่จิตใจก็ไม่เครียดนะยุ่งงานอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดจิตใจสบายสบายสบายครับเป็นหน้าที่มีรนต้องทำก็ทำไปใชครับผมใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เข้าไปปฏิบัติอีกครับได้มาเร็วว่าไก่เราได้ว่างอ๋อพอดี ตารางมันลงได้วันสุดสัปดาห์นี้ครับพอดีเดี๋ยวอ <Okay. S 2> อีกสองสัปดาห์มีประชุมแล้วก็จัดประชุมไมว้้มีไปเลคเชอร์ขอบประเทศครับกเ อ, าอ่านนี้ก่อนอ่านก่อนใช่ครับก็เลยเนละครั้งครับก็เลยหาวันที่สลอลบได้พอดีครับดีโอเคนั้นเข้า น, นะนไปเข้าไปปฏิบัตินะไม่แต่พลังไม่ชชา์แบตนะชา์อุปเบนะครับผมใช่ครับใชครับมาชาร์จอุปครับ โอเค okay. ไม่มีแล้วฮะวันนี้ไม่มีคําถามทางแ<ช>เดียวเรับไปปฏิบัติครับยังขาดปฏิบัติของเดีครับขอบคุณอา <นะ S 2> จัดไม่ได้คุณนะตอบคุณมีคําถามไหมวันนี้กรับนมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าคะ่ะสองคำถามแรกจากคุณธีรภูมิกลาบนมัสการพระอาจารย์ครับคําถามข้อที่หนึ่งการพิจารณาขันห้าควรพิจารณาอย่างไรครับ ตัวไหนเด่นก็พิจารณาตัวนั้นหรือไม่ครับจะเลือกพิจารณาอย่างไรครับเมื่อตอนนี้เอาแบพิจารณากายก่อนพิจารณากายว่าไม่เที่ยงก่อยแ่เจ็บตายไม่สวยงามเป็นอสุภะเพื่ อ, อรเราจะได้ตัดความอยากที่จะไปมีความอยากจะร่วมเพศกับใครน่อนแล้วก็ตัดความอยากที่จะ เกี่ยวเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันต้องยอมรับความจริงว่าน้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก่อนแล้วก็ไปพิจารณาเวทนาเวท น, นามันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาะแล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปุ่มแต่งตา่างๆเราเอาเป็นขั้นๆไปขั้นแรกเอาร่างกายก่อนบอกว่าร่างกายให้ได้ก่อน ถามต่อไปเวลาพิจารณากายจะพิจารณาอาการสามสิบสองกับธาตุสี่สลับกันไปมาได้ไหมครับหรือควรพิจารณาอย่างเดียวให้ชัดเจนไปก่อนครับก็แล้วแต่น้องเามาต้องให้นชัดเจนต้อง้องเห็นว่าร่างกายเป็นน้นำลมไสเห็นว่าร่างกายมีอาการสาสิบสองไม่สวยไม่งามนล้วต้องเห็นว่าร่างกายต้องตกแตกเจ็บตายเป็นธรรมดา คำถามสุดท้ายจากคุณรัฐขอโอกาสถามค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าที่ไม่ยอมก็เพราะไม่รู้ว่าเวลายอมแล้วมันสบายขอพระอาจารย์ช่วยสอนการใช้ปัญญาเพื่อให้ใจมันยอมกับคนที่ทําไม่ดีกับเราค่ะก็เพราะว่าต้องทาดีไม่ดีเราก็ไปห้ามก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเรายอมแล้วใจเราก็จะเย็นแต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้าไบางคับเขาไม่ได้เก็จะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปแล้วใจเราก็จะเย็นถ้าเราไม่ยอมใจเราก็จะทุกข์โอเคหมดแล้วนะคำถามาหมดแล้วเจ้าค่ะแต่วันนี้เวลาก็หมดพอดี ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินใด้รังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุกความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด